เป็นยังไงไปอยู่ที่ไหนมามนมมอยู่บ้านอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ไม่ต้องทำงานแล้วมไม่ได้ uh huh. ทำงานหลายปีนะครับประมาณกว่าปีนะแล้วไม่มีปัญหาเรื่องรายได้รายจ่ายเป็นใช้ำก uh huh. ำลังนะกำลังนิดหน่อยพอที่จะแบ่งแบ่งตัวเองได้หั่นข้าวก็นิดหน่อยแ้ววันละมือเองก็อยู่ได้กัน ถ้าไม่เที่ยวไม่ไม่ไปไหนถ้าภาวนาอย่างเดียวมันก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่มากที่บ้านอยู่กับใครมีคนสองคนใช่ไมีใครีคนสามีน้องสามีสามีเสียแล้วนะสามี ต่างคนต่างอยู pumpkin, huh? ่เพาอยู่ไม่ได้อะไรกันมากม่ยเช้ามาตักดื่มาต่างคนต่างเดินจงกรมนั่งสมาธีนะพี่เขาก็พอนาว่าอก็พาวนาบ้างแล้วก็ดูแลบ้านทําอาหารดูแลบ้านไม่ต้องทํางานด้วยกันทั้งหมดทนกทต้องมีเวลาไปก็ไปออกกําลังกายไปเดินจงกรมด้วย ที่สุขภาพเนี่ยเราก็จะควบคุมไปด้วยแล้วก็พอน่ะสุขภาพด้วยค่ะแล้วของสามีก็ภาวนาด้วยเไม่ด้ปวนะเขาไม่ไเขาม่ชอบขาเขาไม่ไปเขาก็อยู่แต่บ้านเขาอย่างงั้นะมาแว้วเป็นรูกแบบืุกคนจีนนะคะแต่ก็ไม่เป็นรคนต่อยู่ได้เรากินมือเดียวแต่เขาก็กินสามมือ สามแต่อันนี้ก็ยังสามอยู่เรามไม่ได้กินเดยวอ่าไม่เราคนเดียวกินมือเดียวอยู่ะอกินมาตลอดเลยลเลยก็แึ่หลายไปเออะือล้วถึงเส้นแปดแต่ว่าแปดก็ไม่บางทีก็ไม่แป็นเนื่องจากบางครั้งที่ถ้าหมูเดินทางไปกับไปแบบญาหรือกล่มใครอยเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นปัญหากับเขาก็คือสะดวก บางทีก็หลังเที่ยงไปก็เราก็ไม่ว่างอะอรก็แต่ว่าก็ไม่ได้ทนันแบบไม่เรียนไรแล้วบามทีไปร่วมโต๊ะอาหารเขาก็ก็ถึงกันนล้วนะคะแต่ยังต้องไปทํำกิจกรรมของเขาอยู่ก็มีบ้างเหงมือนแบบมันชั้นเราอยู่กับเขากับ ญ, ญาติอะไรก็ถ้ามันจำเป็นก็เพื่นอนการใส่ก็ต้องไปนะค่ะไปไปแต่ใจไม่ไปค่ะบอกว่า มีโปรแกรมเที่ยวนี่บอกไม่ต้องไม่ถึงเลยค่ะให้ตัดไปได้เลยครับไม่ไปค่ะอืเพราะว่ามันก็ไม่รู้สึกมีความสุขสนุกสนานกับการเที่ยวค่ะไปก็ไม่รู้สึกสนุกอะค่ะอันนั้นจะอยู่วัดเลยนะไรก็ดูเนาะเมื่อไหร่ที่เราไปอยู่วัดเหมือนประจําแล้วมันก็เริ่มพอเริ่มคุ้นเคยก็เริ่มจะมีผู้คนเข้ามาข้องเกี่ยวค่ะคิดว่าไปอยู่วัดบ้างอยู่บ้านบ้างก็ เพราะว่าเราก็ยังภาวนาได้ค่ะก็ดูอย่านี้ไปก่อ น, นอจนจอดดูว่าวัดไหนที่ที่เอื้อจริงๆว่าต่อการพรนาครตอนนี้ก็ยังไม่ตกลงตงแใจว่าจะอยู่ที่ไหนคะบนับอาจารย์แล้วเป็นมันทําให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นนหะก็มันก็บางช่วงก็พัฒนาบางช่วงก็มีเสื่อมลงไปแต่ก็พยายามตั้งตัวขึ้นมาใหม่ทุกครั้งคะ แต่ว่ามันบางครั้งแบบเข้าเข้าออกมันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องดีว่าพอออกมาเรามากระทบเราก็เออเหมือนแบบ ย, ยังไม่ผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปแล้วไปเกิบตัวใหม่เลยนะก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องดีเราก็ได้ทดสอบกําลังของเราพอไม่อยู่กับโลกแล้วเหมือนแบบพอมันมีเรื่องกระทบแล้วทําให้เราเข้าสู่ความสงบได้ได้ไปขึ้นนะคะมไม่เหมือนแรกแรกก็แับ โ, โหซงกันตอนนั้นก็รู้สึก แย่เลยค่ะทหลังก็เริ่มเริ่มเห็นเริ่มเวขึ้นเลยค่ะแบบเข้าสู่ความสงบเรื่อยเร่อยข้นบ่อยแล้วก็กลับไปอยู่กับพูดโธค่ะเมื่อไหร่จะตอนนี้เริ่มเห็นแล้ว่าเวลาที่มันทุกข์กับเพราะว่าเราไปคิดมันต่อไปสังหารมันต่อค่ะเมื่อไหร่แต่ปุ๊บมาพูดโทนี้มันจบไปเลยค่ะะ่าจารลบมันไปเลยคมันผ่านไปแล้วเราไปเดินมันกลับมาเขาว่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้เราก็ยังคิดถึง คิดทีไรก็ไม่สบายใจใจเราไม่ยอมอยู่ในปัจจุบันชอบไปกับอดีตไปกับอนาคตต้องควบคุมใจต้องหยุดใจให้มันสักแต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งนี้เป็นตัวดึงจิตไปคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดแล้วก็ไปดีใจเสียใจกับเรื่องที่คิดนั่นะ หยุดความคิดได้แล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดก็เกิดข้างนอกใจไม่ได้เกิดในใจเหตุการณ์ต่างๆมันอยู่ข้างนอกใจแต่ใจเราไปดึงมันเข้ามาเองเราต้องอย่าไปดึงมันหยุดดึงหยุดดึงรูปเสียงกลิ่นรัเข้ามาในใจ ให้ใจเราอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเย็นสบายไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรความสงบนี้เป็นความสุขเป็นความอิ่มเป็นความพอมีความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีอะไร เราพยายามให้มันสงบให้ได้ตลอดเวลาเวลาใดที่มันไม่สงบเวลานั้นก็วุ่นวายขึ้นมาความอยากความอะไรต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาต้องพยายามใช้สติหยุดมันหรือใช้ปัญญาได้ยิ่งดีปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าเป็นตายไปหมดเป็นทุกข์ไปหมด สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทำไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่มีอะไรอยู่คาฟ้าไปยุ่งกับมันทาไมวันนี้มีคำถามเข้ามาแล้อยั ง, องคุณต่อใช่นะใครอยากจะถามอะไรวันนี้ว่างมีมีครับอาจารย์ วันนี้ทางบ้านสัญญาณท่านอาจจะมีสวิงบ้างมีช้าบ้างมีภาพไม่ชัดบ้างนะครับเป็นเพราะสภาพอากาศนะครับวันนี้าจากคุณจิ๊บนะครับเขาเขาถามว่าที่วัดมีบวชไหมครับมีโยมถามมาเยอะเป็นผู้หญิงไม่ผู้ชายเป็นผู้หญิงครับอาจารย์ที่วัดเขาก็ถ้าผู้หญิงนี่เขาก็มาถือศีลแปดยุ่งขาวห่มขาว เขาให้อยู่ข้างละไม่เกินเจ็ดวันที่พักก็เป็นหอพักเป็นห้องๆมีห้องน้ำในตัวมีกิ จ, จวักิ จ, จกรรมสอ ง, สอ ง, สองตอนตอนเช้ามืดตีสี่ตีละครก็ให้ลงไปที่พระอุโบสถไปนั่งสมาธิจนถึงประมาณตีห้าก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ จนถึงเวลาสว่างก็กลับไปที่พักเพื่อที่จะไปทากิจส่วนตัวแล้วพอสว่างก็ถ้าจะไปรับประทานอาหารจะไปถวายอาหารก็ไปที่ศาลาที่วัาเขาก็มีแม่ครัวที่จะรับบริการทำับข้าวให้เป็นชุดๆถวายพระ ทำไห้กินเองถ้าไม่ไม่ต้องการมาศาลาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ม่ไม่ได้บังคับจะรับประทานที่พักเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับใครที่ศาลาก็ได้ตอนเย็นก็มีลงโบดอีกครั้งหนึ่งไหว้พระสวดมนต์หกโมงเย็นถึงประมาณทุ่มคึ้นสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิ ถ้าวันเสาร์วอาทิตย์วันพระตอนเช้าที่ศาลาก็จะมีการแสดงธรรมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะพระจะฉันอาหารก็ประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งเวลาจะมาอยู่ก็ควรจะจองที่พักไว้ก่อนถ้ามาแบบปุบปับก็อาจจะว่างอาจจะไม่ว่าง ที่พักก็มีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาอยู่ที่วัดก็ต้องมีการติดต่อกับที่ทางวัดก็มีานักงานมีหมายเลขโทรศัพท์โทรจองได้เราจำหมายเลขไม่ได้แตเข้าไปในเว็บเข้าไปในเว็บน่าจะมีอยู่ แล้วก็สำหรับถ้าเป็นผู้ชายอยากจะบวชพระก็มีการบวชแต่เป็นการบวชหมู่ท้งว่าจะกำหนดวันให้เช่นในแต่ละเดือนก็จะมีวันบวชสักหนึ่นครั้งในช่วงออกพรรษาในช่วงเข้าพรรษาก็จะไม่มีการบวช พอเข้าพรรษาแล้วก็จะไม่มีการบวชไปจนถึงปีใหม่เลยเพราะหลังจากออกพรรษาก็จะมีภารกิจงานต่างๆงานกระถิน ง, งานอะไรก็เลยจะไม่มีเวลาว่างที่จะบวชต้องรอให้เข้าถึงมกราหนึ่งก็จะมีวันบวชใครต้องการบวชก็สามารถไปติดต่อ ที่กุติธุรการกุติหมายเลขสี่ของวัดยาณสังวรลาลามจะมีพระภิกษุท่านจะรับเรื่องท่านจะแจ้งแจงรายละเอียดต่างๆให้ทราบที่วันนี้เวลามาบวชก็ต้องมาอยู่เป็นภาคขาวก่อนหกวันเจ็ดวันเจ็ดวันด้วยกันเพื่อที่จะได้มาทดสอบดู ว, ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ จะปฏิบัติตามที่พระเขาปฏิบัติกันได้ไหมไม่ฉันมือเดียวฉันในบาทเบนทบาทเป็นวัดนี่ก็คือเรื่องของการบวชพระค ำ, คำถามข้อต่อไปจากคุณเริ่มต้นใหม่ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับทุกที่เกิดจากอายตนะทั้งหกเราควรดับที่ไหนและดับยังไงครับเช่น มีคนมาด่าเราเราควรดับทุกข์ที่ไหนและยังไงครับอยนายตนะนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัวที่เกิดความทุกข์ก็คือตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจของเราที่เขาด่าเราล้วเราทุกข์เพราะว่าเรามีความอยากไม่ให้เขาด่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่า เสียงที่เขาด่านี่เราห้ามได้หรือไม่ห้ามไม่ให้เขาด่าเราได้หรือไม่เขาเป็นอนั 1, ตตาหรือเป <After all, S 2> ็นอัตตาเขาเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งเขาได้สั่งว่าอย่าห้ามด่าแต่ถ้าเป็นอนัตตาก็แสดงว่าสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาด่าไป เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่ด่าเราถ้าเรายอมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนเสียงฟ้าร้องอย่างนี้เราทำไมเราไม่ทุกข์กับเสียงฟ้าร้องที่ที่ดังมากกว่าเสียงด่าต้องเยอะแยะเสียงฟ้าผ่าเปี้ยงเนี่ยมันบางทีทำให้ตก อ, อกตกใจแต่เรากลับไม่ทุกข์แต่เสียงเบาๆเสียงค่อยๆ แต่เป็นเสียงด่าเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้อยู่ที่เสียงว่ามันดังหรือไม่ดังอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบปัญหาของเราคือความรักความชังเรามักจะชอบเสียงบางอย่างแล้วก็ไม่ชอบเสียงบางอย่างพอได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาเนี่ยเราต้อง ส้อนใจเราว่าเสียงนี้เราไปสั่งไม่ได้ให้มีแต่เสียงที่เราชอบเราอยู่ในโลกที่มันอนิจจงมีทั้งชอบแล้วไม่ชอบมีทั้งเสียงที่น่าชอบแล้วไม่น่าชอบเสียงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียงที่ชอบก็มีเสียงที่ไม่ชอบก็มีอย่าไปชอบมันเสียทำใจให้เฉย เราต้องมีสมาธิเราถึงจะทำใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาได้พอใจเราเฉยๆได้พอเราใช้ปัญญาพิจารณาก็เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเสียงนั้นพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เสียงต่างๆเป็นไปาตามที่เราต้องการได้เสมอไปนี่ปัญหาก็คืออยู่ในใจเราเองคือความอยาก ความชอบไม่ชอบเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาใจเราก็เลยแกว่งไปกับความชอบไม่ชอบถ้าเรามีสมาธิใจเราก็จะนิ่งจะไม่แกว่งไปกับความชอบไม่ชอบเวลาได้ยินเสียงก็จะเฉยเฉยไม่ว่าจะเสียงที่อดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเพราะไม่มีความชอบไม่ชอบอยู่ มันก็จะฟังเสียงทุกอย่างได้เสียงด่าก็ฟังได้เสียงชมก็ฟังได้งั้นเราต้องมาแก้ที่ตัวเราต้องทำใจให้เราเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราไปเลือกเสียงไม่ได้ไปสั่งเสียงไม่ได้เอาแต่เสียงนี้เสียงนั้นไม่เอาไม่ได้ให้สอนใจให้ยอมรับว่าเราต้องรับฟังเสียงทุกเสียงได้ เพราะเสียงมันไม่มีอันตรายตัวที่เป็นอันตรายก็คือความอยากของเรานั่นเองดั้นเราต้องหยุดความอยากของเราตัดความอยากของเราด้วยปัญญาคําถามข้อต่อไปจากคุณสุพินดานะครับหนูมีเพื่อนสนิทเขาตั้งใจทํางานและเป็นคนเก่งปรากฏว่าเวลาเขาไปทํางานตามที่ต่างๆมักมีคนอิจฉา มากกว่าคนทั่วๆไปหรือหม่นไส้โดยที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยคุยกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับอาจเป็นผลกรรมในอดีตบางอย่างเป็นไปได้หรือไม่คะไม่ทราบว่าพระพุทธองค์เคยตัดเหตุแห่งการถูกคนอิจฉาวไว้หรือไม่และควรวางใจอย่างไรดีก็เป็นธรรมชาติของคนที่ชอบแข่งขันกัน ทุกคนก็ชอบชิงดีชิงเด่นกันอยากทุกคนมีตัณหาความอยากอยากใหญ่อยา ก, ยา ก, ยากโตอยากมีหน้ามีตาอยากใหอ้อยากเด่นอยากดังแล้วก็ไม่ชอบคนที่เขาเด่นเขาดังกว่าเราอันนี้เป็นเรื่องปกติวิธีที่จะทำให้เราอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่เด่นไม่ดังกับเราได้ก็คือ อย่าไปเด่นอย่าไปดังมากพยายามอถอนคันเร่งหน่อยอย่าไปเก่งมากบอดโอกาสให้คนอื่นเขาได้เก่งบ้างถ้าเราเก่งคนเดียวคนอื่นเขาก็จะหมันไส้เราจะเรียนหนังสืออย่าไปได้ที่หนึ่งตลอดเวลาเอาสักที่สองที่สามบ้างก็ได้ให้คนอื่นเขาได้เป็นที่หนึ่งบ้างแบ่งปันกันเรียกว่าทาน ทำบุญให้ทานถ้าเราแบ่งปันความเด่นความดังให้แก่ผู้อื่นเขาเขาก็จะไม่มาหมั่นไส้เราไม่มาอิจฉาหรือเสยายเรา <c oughs> เราอยา่าทําตัวเราแบกแยกจากคนอื่น <c oughs> ถ้าเราแบกแยกจากคนอื่น <c oughs> ก็อยู่กับเขาไม่ได้ ถ้าเราอยากจะเด่นจะดังเราก็ต้องแบ่งปันสร้างมิตรภาพเช่นถ้าเราได้รางวัลอะไรมาเราก็เอามาแบ่งคนที่เขาไม่ได้อย่าเอาเอาไว้เก็บไว้ใช้ของเราคนเดียวคือต้องมีก็เรียกอะไรมีอัธยาศัายไมตรีจิตต่อผู้อื่นเราได้รางวีรางวัลได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นก็ เลี้ยงข้าวบ้างซื้อน้ําใจกันแล้วคนที่เขาจะหม่นไส้เราก็จะลักเราจัดงานเลี้ยงเรื่อยๆไปกินข้าวที่ไหนก็ออกใจ่ายให้เขาเราเราป็นคนเด่นคนดังเราก็ต้องเป็นคนจ่ายล้วใช่ไหมนะงั้นก็มันมีวิธีแก้หรอมันมันเรื่องธรรมดาของสังคมคนเราอยู่ด้วยกันก็ ถ้าคนเด่นคนดังก็ไม่ค่อชอบแต่ถ้าคนเด่นคนดังเป็นคนอ บ, อ, บอ้อมอาเรี่เอื้อเฟื้อเผอแพ<ล>่ก็มีคนรักมีคนชอบมีคนยินดีที่จะเป็นบริสัทธ์บริวารและในสมัยพุทธกาลพอพุทธองค์เคยตัดไปบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์เรื่องความอิจฉาคนถูกอิจฉาครับเขาเขาแจ้เรื่องอิจฉาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไงเรื่องจิตใจของคนอื่นเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราพอที่จะ ทำให้ความอิจฉาเขาเบาบางลงได้แต่ก็ไม่แน่บางคนเขาก็ต่อให้เราให้เขาอะไรเขาก็ยังอิจช้าเราอยู่อย่างพระเทวทัตนี่ก็อิจฉ้าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นใหญ่เหมือนกับพระพุทธเจ้าถึงกับขอเลยขอเป็นเลยพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็เลยโกรธเลยฉะนั้นสําหรับคนบางคนนี่เราไม่สามารถที่จะไปหักห้ามใจเขาได้เพราะถ้าเขามี ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเขาสู้เราไม่ได้เขาก็จะโกรธเขาก็จะเกลียดเราอิจฉาหรือเสเราพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้หัดเจริญมุทิตาจิตมุทิตาก็คือให้เรามีความชื่นชมยินดีกับความเด่นความดังของผู้อื่นความสุขความเจริญของผู้อื่นอย่าไปอิจฉาหรือเสย เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้มีบุญมีวาสนามีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันคนที่เขามีบุญมีวาสนามีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาย่อมได้ดิบได้ดีมากกว่าเป็นธรรมดาถ้าเราอยากจะได้ดิบได้ดีเหมือนเขาเราก็ต้องสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างความรู้ความสามารถขึ้นมา หลังที่มีคำพูดว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาบารมีนี้มันต้องสร้างกันความดินแข่งรถแข่งเรือมันก็ต้องสร้างความสามารถในการสร้างเรือสร้างรถแล้วก็ต้องมีสร้างความสามารถในการขับรถขับเรือเรืเราเรื่องความวิจัยเอชอาลิสยาของคนอื่นนี้เราห้ามเอไม่ได้ ทุกคนนี่ควรที่จะฝึกมีมุติตาจิตให้เห็นโทษของความอึดฉาลิสยาว่าจะทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราทุกไปเปล่าๆสู้แสดงความยินดีชื่นชมกับความเด่นความดังของผู้อื่นดีกว่าแล้วเราก็จะมีความสุขร่วมไปกับเขาเวลาที่เราเชียร์ฟุตบอลเวลาทีมเราชนะนี่เราดีใจใช่ไห แสดงว่าเรามีมุติตาจิตกับทีมของเราเราก็ต้องมีมุติตากับทุกคนไม่ว่าทีมเราหรือทีมเขาถ้าทีมอื่นเขาชนะก็แสดงความยินดีดีใจไปกับเขาเราก็ชนะทั้งสองทีมเลยเชียร์ทั้งสองทีมเลยทำไมต้องไปเชียร์ทีมเดียวทำไมใช่ไหมทีมไหนชนะเราก็มีความสุขเราโง่ป่าไปเชียร์ทีมเดียวคําถามข้อต่อไปกระคุนจิตตานะครับ เวลาที่โยมจะใช้ปัญญาพิจารณาถึงต้นเหตุของเรื่องราวที่ทำให้เกิดทุกข์โยมจะไม่สามารถพิจารณาได้ถึงที่สุดของไตลักจะไม่สามารถโยงเนื้อหาเข้าสู่ตจลักได้อย่างที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเรื่องความอยากอาหารก็พิจารณาไปถึงความสกรปรกของอาหารอาจด้วยความที่โยมยังไม่มีปัญญาแกงกล้าพอในช่วงนี้ โยมควรจะต้องสอนใจอย่างไรดีเจ้าคะสอนใจอย่างไรก็ <c oughs> สอนใจให้หัดคิดไปในทางปัญญาบ่อยๆให้คิดไปในส่วนในด้านที่มันทำให้ลบความอยากลดความอยากลงไปความอยากนี่มันจะเกิดหรือจะดับอยู่ที่เราดูสิ่งที่เราดู ถ้าเราดูส่วนที่จเจริญนี่เราจะเกิดความอยากแต่ถ้าเราดูส่วนที่เสื่อมเราก็จะเกิดความไม่อยากขึ้นมาเนั้นพยายามหันดูส่วนที่เสื่อมเช่นดูความตายของเราบ้างถ้าเราดูความตายของเรามันก็จะลดความอยากทําอะไรอยากจะมีอะไรลงไปได้ถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษามไม่ได้แล้วเหลืออีกสามเดือน เรายังอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีอะไรต่างๆอยู่หรือเปล่ามันไม่อยากจะมีแล้วมันอยากจะทําใจให้สงบอยากจะให้ไม่ทุกข์กับความความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นให้เรามองในส่วนที่มันทําให้ใจเราลดความอยากลงเช่นเนี่ยเพื่อนตายไปเนี้ยก็มองว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทําไง อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องการสิ่งอะไรมากมายต้องการเพียงแต่ว่าขอให้อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้วความจริงสิ่งที่เราควรจะมีกันทุกคนก็คืออยู่กันแบบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันวิเศษกว่าการมีอะไรมากมายกายกองเพราะการมีอะไรมากมายกายกองมันไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเกิดความตายได้ พยายามให้มองความแก่บ้างความเจ็บความตายบ่อยๆแล้วมันก็จะลดความอยากต่างๆลงไปได้ส่วนเรื่องอาหารก็ถ้าติดเรื่องอาหารก็พยายามนึกถึงอาหารที่ออกมาจากร่างกายเราอาหารทุกคําที่เรารับประทานเข้าไปนี้มันจะต้องออกมาเวลาออกมาก็หัดจ้องดูมันเพ่งดูมันบ้างก็ได้อันนี้เหลืออาหารที่เรา อยากจะกินแสน อ, อร่อยอร่อยตอนนี้เห็นแล้วไม่อยากจะกินเลยต้องบังคับใจเราดูมันเลยบรดานั่งสวมเสร็จอย่าเพิ่งไปลาดนั่งเพ่งดูสักห้านาทีสิบนาทีดูเปรียบเทียบกันระหว่างอาหารที่เรากินกับอาหารที่ออกมาอาหารที่อยู่ในชามอยู่ในจานตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วดูมัน มันมันไกาดตรงไหนทำไมเวลาอยู่ในชามทาไมอยากจะกินลากเกินพอเวลาอยู่ในโถส้วมแล้วทำไมไม่อยากกินขึ้นมามันก็อันเดียวกันไม่ใช่เหรอดูมันอย่างนั้นหัดพยายามดูสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากต้องบังคับถ้าอยากจะลดความอยากถ้าอยากในอาหารก็หัดเพ่งดูอุจาร ะ, ะบ่อยๆเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จอย่าเพิ่งราดน้ำนั่งดูสักพักหนึ่ง แล้วก็พยายามนึกถึงมันจนกระทั่งมันจำได้เวลาเกิดความอยากกินอะไรขึ้นมาก็ให้นึกถึงภาพที่เรานึกไว้เนี่ยแล้วรับรองได้ว่าความอยากมันจะลดหายลงไปเองคำถามข้อต่อไปจากคุณนานะครับหนูเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมากค่ะใครดูถูกหนูก็จะโกรธ หนูควรลักความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอย่างไรดีคะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหัดทาตัวเป็นเป็นแจ๋วกันเป็นคนรับใช้อย่าเป็นเจ้านายให้เราหัดเล่นบทที่เป็นคนรับใช้ให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนทาตนเหมือนเป็นปตัตตพีเป็นแผ่นดินใครจะเหยียบก็ไม่มีปัญหาอะไร ใครจะอุดจะละปัจทวะใส่แผ่นดินแผ่นดินก็รับได้เราต้องลดละแก้ปัญหาของความยึดเนื้อถือตัวว่ามันเป็นสมมุติเราไปคิดเอาเองว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วต้องหวังให้คนเขาปฏิบัติกับเราตามที่เราคิดว่าเราเป็นหรือว่าทางสังคมเขาให้เราเป็น เช่นถ้าเราไปรับราชการเขาก็จะให้ตำแหน่งเราให้เป็นนายร้อยนายพันขึ้นมาก็ต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรามันเป็นเพียงสมมุติที่เขาตั้งให้กับเราแล้วก็บังคับให้คนอื่นเขาปฏิบัติตามสมมติเหล่านั้นแต่มีคนที่เขาไม่มองเห็นสมมุติเหล่านี้ก็ได้เป็นคนที่เขาไม่รับรา ช, รราชการเขาก็ไม่รู้ว่าเรามียศอะไร มีดาวกี่กี่กี่ดวงเขาก็ไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรพอเขาไม่ให้ความเคารพกับเราเราก็จะไปโกรธเขาเราต้องถอนใจว่าเรื่องของตัวตนนี่มันเป็นเรื่องของสมมุติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสมมุติแล้วทำให้เราใจสบายเราก็ต้องสูมว่าเราเป็นขอทานเราเป็นคนรับใช้เป็นแฉวเป็นภาคที้ริ้ว ถ้าเราสมมุติอย่างนี้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราจะสบายใจใครเขาจะใช้เราเฮ้ยมานี่หน่อยไว้ทำให้หนู่นครับผมครับผมอไม่ได้มาถือตัวเฮ้ย e ฉันเป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้เอนี่เป็นโลกสมมุติให้เราเปลี่ยนบทละครตัวของเราจากการเป็นใหญ่เป็นโตให้มาเป็นคนเล็กๆคนเอเป็นขอทานเป็นลูกจอกแล้วจะอยู่อย่างมีความสุข แไปอยู่ที่ไหนจะไม่รู้สึกมีความไม่สบายใจเพราะเราพร้อมที่จะเล่นบทนี้พระอาจารย์ครับเรื่องเราเช่นเนี้ผมมักจะหรือใกล้เคียงอย่างนี้ครับผมมักจะใช้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านลดตัวมาอยู่ขอทานมาอยู่แล้วแถมมีความอน้อมถ่อมตนนะครับถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นไอดอนเนี่ยยังไงคุณก็ ก็พระพุทธเจ้าสอนพระทุกลูกเวลามาบวชใหม่นี้ให้เป็นเริ่มต้นที่ศูนี่ยต่อให้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัฐมนตรีนายกท่ามนตรีพอมาบวชก็ให้ไปนั่งท้ายแถวเดินบินธบากก็ให้เดินท้ายแถวให้ถือว่าเป็นเป็นพระบวชใหม่อาวุโสน้อยที่สุดแล้วก็ค่อยไต่เต้าไปตามเวลาฝึกเนี่ยเวลามาบวชพระเนี่ยเขาจะให้ฝึกให้ ให้ให้ให้ให้เป็นํำต้อยที่สุดให้ล้างให้ล้างซ้วมให้กวาดถูสาลาล้างกระโถนของครูบาอาจารย์ทำอะไรต่างๆเหมือนคนรักใช้เลยเพื่อที่จะมากดไอ้ตัวกิเลส ต, ตันหาไอ้ตัวถือเนื้อถือตัวนี้คนที่ถือเนื้อถือตัวจึงไม่อยากจะบวชกันบวชไม่ได้เพราะทาใจไม่ได้ แต่บางทีถ้าเขาบวชเขาก็บวดว่าที่เขาไม่บังคับให้ให้เป็ น, เ ป, นเป็นแฉว์เป็นคนรับใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้วัดบางวัดเขาก็แบบว่าเอาอกเอาใจคนใหญ่คนโตมาบวชก็มีบริวารมีคนรับใช้เหมือนกับเป็นเจ้าวาดเลยก็บวชอย่างนั้นกันบวชอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรบวชก็ได้แต่กิริยา ได้แต่ภาพว่าฉันได้บวชแล้วบวชสิบห้าวันบวชเดือนหนึ่งแต่ใจไม่ได้บวชเลยการบวชก็เพื่อการมาทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาโดยเฉพาะตัวอัตตาตัวตนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยต้องมีกฎบังคับเลยว่าใครมาบวชแล้วนี่จะต้องเป็นคนที่อาวุโสน้อยที่สุด มีเรื่องเนี่ยในสมัยพระมุตการตอนที่เจ้าชายห้ารูกที่เป็นญาติของมกุฏเจ้าพร้อมใจอยากจะออกบวชพร้อมกันแล้วก็พอดีมีคนรับใช้เป็นช่างตัดผมขอบวช ด, ด้วยขอติดตามบวช ด, ด้วยพี่อ๋อชายดั้งห้าก็เลยมาพิจารณากันคุยกันก็ว่าให้ไอ้ใ ห, ให้คนนี้มันบวชก่อนเพราะถ้ามันบวชก่อนเราต้องกราบมันก็เลยเนี่ย นี่คือวิธีบวชของคนสมัยก่อนเขาบวชเพื่อปราบกิเลสลดละอัตตาตัวตนก็เลยให้คนรับใช้บวชก่อนเพราะเวลาบวชแล้วเขาจะเป็นอาวุโสกว่าพระเหล่านี้แม้แต่จะบวชวันเดียวกันบวชพร้อมกันแต่เพียงต้องมีบวชก่อนบวชหลังอคนที่บวชก่อนก็เป็นพี่คนที่บวชหลังก็เป็นน้องแล้วตลอดชีวิตของการเป็นพระเวลาเจอพระที่เป็นพี่ก็ต้องกราบเขาทุกครั้งไป ไม่มีวันที่จะไปใหญ่กับาเขาได้เพราะอาวุโสทางทางพระนี่เราใช้เหมือนกับใช้กับเหมือนกับอายุอายุพรรษาเหมือนพี่น้องเนี่ยที่เกิดคานออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราแซงพี่ไม่ได้ใช่ไหมเราจะให้พี่มากราบเราไม่ได้เราต้องกราบพี่เราเสมอนี่คืออุบายของพระเจ้าที่ที่จะควบคุมกิเลสตัณหาของผู้ที่มาบวชเนี่ย ต่อให้เป็นอะไรใหญ่โตขนาดไหนได้ยศเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชแต่ถ้านับพรรษาแล้วยังน้อยกว่าพระที่ไม่ได้เป็นสังฆราชสังฆราชก็ต้องกราบพระองค์นั้นถ้าไปเจอกันถ้าไปมีการพบปะกันอะไรกันอันนี้ทางโลกบางทีก็มาใช้กฎที่มาขัดกับหลักธรรมเช่นถ้าไปงานพระราชาพิธีเขาจะไม่เขาจะไม่ใช้ พันษาเป็นตัววัดความอาวุโสเขาจะใช้พัดยศเป็นตัววัดว่าใครมียศสูงกว่ากันมีพันษามากกว่าแต่มียศต่ำกว่าเวลาไปงานก็ต้องนั่งตามกว่าพระที่มีพันษาน้อยกว่าเพราะพระที่มีพันษาน้อยกว่ามียศที่สูงกว่าเช่นเช่นเราเป็นชั้นสามัญแล้วมีพระที่พผ่้พระที่อ่อนกับเราต้องสิบพันสาแต่เขาชั้นเขาเป็นชั้นเทพอย่างเงี้ย ถ้าไปงานที่ต้องใช้พัดยศเขาก็ต้องนั่งเหนือนเราข้อข้อความขาดหายนะครับถ้าใครต้องการสอบถามส่งส่งเข้ามาได้นะครับพระอาจารย์ครับผมผมมีแนวะคิดอย่างนครับคือว่าเวลาที่ผมกราบเนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็กราบด้วยความด้วยความ เ, เต็มใจด้วยความเคารพ แต่ถ้ามีเหตุที่เราจะต้องไปไหว้พระผู้บวชเนี่ยที่แบบว่ารู้รกันอยู่ว่าปฏิบัติไม่ดีบ้างหรือนอกรีดบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์เราใช้ความคิดว่าเรากลับผ้าของผ้าเหลืองพระพุทธเจ้าใช่ก็มีนิทานในสมัยพุทธกาลใช่เหมนะมีควายตัวหนึ่งเขาผูกผ้าเหลืองไว้แล้วมีพระเจ้าแผ่นดินไปกาบควาย ลูกนอนก็ถามว่าท่านไปกราบควายทําไมทั้งหมดเราไม่ได้กราบควายเรากราบผ้าเหลืองที่มันติดติดอยู่กับตัวตัวควายนั้นถ้าที่อยู่ในป่าเวลาเขาอยากจะกราบพระพุทธเจ้าไม่มีพระพทเทลูกเขากล่บวเลยเขากล่าวต้นไม้เนี่ยเอาตรงต้นไม้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าไปมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้มันอยู่ที่ใจเราเวลาเรากราบให้เราเลื็กถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลัก แต่การกราบผู้อื่นนี่เป็นการแสดงมารยาทเป็นการแสดงมารยาทของคนที่มีมีมารยาทก็ทําไปตามมารยาทคนเราเจอกันก็ต้องมีการไหว้กันยกมือไหว้กันผู้น้อยกอ็แสดงความเคารพต่อผู้ผู้ใหญ่เราอย่าไปกังวลกับเรื่องนี้มากเลยกราบกราบไปกราบอะไรก็ได้ กีากาบไม้กั บ, กบร่างกายมันก็เป็นเพียงดินน้ําหนมไฟนะผมขนและฟันมันมีความวิเศษวิเศษเะไรถ้าเรากาบแล้วก็กาบคุณธรรมของเขาต่าก็มีคุณธรรมวิเศษเราก็กราบคุณธรรมเข้าไปถ้าเขาไม่มีเราก็กาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแต่เราก็ทําไปตามมารยาทของสังคมผู้น้อยต้องแสดงความคาระวะ ต่อ ผ, ผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่โตกว่ามันจะทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเน่งั้มันจะเป็นสังคมของเดรัจฉานเดรัจฉานมันไม่มีไม่มีดูว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังมันดูว่าใครกำลังมากกว่ากันตอนนี้สังคมของเราก็จะเป็นอย่างนี้มันจะใช้กำลังวัดกันใช้กำลังเงินกำลังสติปัญญาแล้วก็ข่มเหงรังแกกัน แย่งแย่งชิงดีกันแต่ถ้าเป็นทางธรรมนี่เราไม่เราไม่แย่งกันเราเราเดินไปตามอายุพรรษาอพอตำแหน่งนี่ว่างใครพรรษาสูงสวยก็เอาไปเช่นพอเจ้ า, าว่าตายไปองค์ไหนวิโสก็ให้ท่านเป็นไปถ้าท่านไม่ต้องการเป็นท่านสละก็อีกเรื่องหนึงบางทีท่านไม่ต้องการเป็นองค์ที่เป็นอาวุโสลองลําดับขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นมันจะได้ไม่มีเรื่องมีราว แต่วันนี้มันมีเรื่องเวลาก็เพราะว่ามันเลือกที่รักมักที่ห่างกันจ่าคนนี้แมวคนนั้นมันก็เลยถึงเราจะกราบท้าเหลืองของพระพุทธเจ้าแต่ใจเราก็ต้องไม่ไปถึงแม้ท่านจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ด, ดีใจเราก็ต้องไม่ไปว่าด่าท่านในใจใช่ไหมครังไม่ก็กราบเฉยไปว่าไปด่าไปว่าทําไมทุกคนใหญ่บางคนกคน็ <laughs> จะแอบด่านในใจ <laughs> มารยาทไงมันเป็นมารยาทของสังคมเวลาเวลาเราเข้าในสังคมนี้เขาจะมีการแสดงความเคารพกันผู้น้อยก็แสดงความเคารพผู้ใหญ่แต่ในใจถ้าเราไม่ไม่ศรัทธาเราก็เฉยเฉยล้วก็ทำเพียงว่ามันเป็นหน้าที่เท่า น, นั้นเองเหมือนทหารตำรวจเขาก็บางทีต้องแสดงเคารพผู้ที่มียศสูงกว่าแต่ในใจเขาก็อาจจะไม่มีศรัทธาก็ได้ แต่ก็ไม่ต้องไปด่าเขาหรอกเพราะว่าด่ามันก็ไม่ดีอ่ะมันเป็นคนความเกลียดมันก็จะทําให้ใจเราไม่สบายไปเปล่าๆพระอาจารย์ครับคุณนาถามว่าอาหลังนั่งสมาธิอุทิศบุญให้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมครับสมาธินี้อุทิศให้ไม่ได้หรอกของใครของมันแต่เงี้ยก็ดีสิ เรานั่งชั่วโมองแล้วก็ส่งให้โยมไปโยมจะได้สมาธิกันหมดทุกคนมันไม่ได้ <S 2> <S 2> หมายถึงบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้คือมันต้องคนต้องนั่งเองอะนอกจากบุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นที่อุทิศได้แต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากปัญญาบุญที่เกิดจากการหลุดพ้นนี่มันอุทิศให้กันไม่ได้หรอกอย่างพระพุทธเจ้าก็อุทิศนิพพานให้เราสิใช่ไหมอืม เขาคครับและอย่างการแผ่เมตตาหลังการทําสมาธิแล้วแผ่เมตตาเปนอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่บุญมันไม่แผ่บุญแล้วแผ่เมตตาหลังจากทําสมาธิก็ไม่ไม่ใช่เป็นเวลาแผ่เพราะไม่มีคนรับอ่ะเวลาคุณแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีคนรับเวลาคุณไปเจอใครน่ะเวลานั้นอ่ะเป็นเวลาแผ่เอาขนมไปให้เองกินบ้างเนี่ยเวลาเอาขนมเอาของขอ ง, ของฝากมาให้กันนี่เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว การแผ่เมตตาคือการกระทํามากกว่าใช่ไหมครับใช่เป็นการกระทำไม่ตีจิตไงควาว่าเมตตาก็คือแสดงไม่ตีจิตต่อบุคคลต่างๆที่เราพบปะด้วยเวลาเขาทําให้เราโกรธแล้วก็ให้อภัยเขานี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาไอ้ที่ทําในขณะที่หลังจากทําสมาธิเป็นการทําการบ้านเป็นการซ้อมไว้ก่อ น, น, ท, นอทบทวนสอนเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ตอนนี้ไม่มีสรรพสัตว์ ที่ทำให้เราแผลใช่ไหมแต่เวลาเราไปเจอสัตว์ประสาทไปเจอหมาก็อย่าไปเตะมันเงี้ยเห็นมันผอมโซซัสโซสเซมาก็หาข้าวมหมันกินเรียกว่าแผลเมตตาไม่ใช่นางสมณทิกัสสะเพสัพตตาอเวลาโหนตุไม่ไม่ได้แผลอะไรตอนนั้นไม่มีผู้รับเพียงแต่เป็นการเตือนใจสอนใจว่าอเวลาโหนตุแปลว่าอะไรไม่จองเวรกัน อบายาปชาโหนตุแปลว่าอะไรไม่เบียดเบียนกันสุขีอัตานังปาริหารันตุขอให้เขามีความสุขกันอานิคาโหนตุอย่าขอให้เขาอย่ามีความทุกข์กายทุกใจกันนี่คือคุณสมบัติของความมีเมตตาเราต้องมีความคิดอย่างนี้ต่อผู้อื่นไม่จองเวรไม่เบียดเบียนอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์เนสี่ข้อนี้คือ คือการแผ่เมตตาแต่ต้องแผ่ตอนที่เจอคนเวลาคนจะเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากออยากจะให้เขาพ้นทุกข์ช่วยเหลือเขาสิเขามีปัญหาอะไรพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเรียวกว่าแผ่เมตตาอย่าเบียดเบียนกันอย่าไปทุบตีอย่าไปด่ากันเบียดอย่าไปทําร้ายจิตใจหรือร่างกายของผู้อื่นแต่ต้องสอนไว้ก่อนไงแต่ส่วนใหญ่เราเป็นพวกพวกนกแก้วส่วนเป็น แต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เราสวดว่าเป็นอะไรกันเอาเวลาโหตุอาบายาปชาโหตุพอเจอหน้ากันพอใครพูดไม่ดีไหนก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันขึ้นมาแล้วก็หวงไม่แบ่งปันกันมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเก็บไว้หมดเจอใครนี่เก็บไว้หมดมีก็เอามาแบ่งกันสิมีขนมน ม, นมเนยอะไรซื้อมาแจกกัน สร้างมิตรภาพเลผมคิดว่าเป็นความเข้าใจของคนหลายๆคนที่เวลาที่ทำบุญแล้วก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วทเนี่ยการแถ่เมตตาเนี่ยเพื่ออุทิศบุญบุญส่ให้กับพวกดวงจิตสัมภเวสีหรือว่าอะไรที่สามารถรับบุญได้เนี่ยถูกต้องไหมครับบุญที่จะรับได้ก็มีบุญเดียวบุญที่เกิดจากการให้ท า, ท า, า น, นเอ่อบุญเหนือนี้ให้ไม่ได้ มีบุญอีกอนที่จะให้ได้ก็คือปัญญาแต่ก็ต้องมาคุยกับเรามาฟังเทศฟังธรรมจากเราอย่างพระพุทธเจ้าสอนเทวดาอย่างเงี้ยเขามารับบุญจากพระพุทธเจ้าแต่เป็นเป็นธรรมเป็นบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหลวงปู่มั่นก็แสดงธรรมให้เทวดาทั้งหลายเคยได้ยินเขาแบบบรรนานเทศให้เทวดาหรือว่าเทศให้ดวงจิตดวงิญาอย่างนั้นสามารถทำได้หรือเปล่ากันใช่เขาต้องมาฟัง ถ้าเขาไม่มาฟังเขาก็ไม่ได้นี่ใช่เป็นการว่าแผ่เฉยแล้วจะได้รับอย่างไงไม่ได้หรอกสแสดงว่าที่เข้าใจกันอยู่เนี่ยก็เป็ น, เ ป, นเป็นการที่เข้าใจผิดคนคนก็พวกที่จะรับได้ก็พวกที่ต้องมารอรับเนี่ยเช่นเมื่อวันที่สามสิบทางหลวงตาท่านจัดงา น, อ, านอันนั น, นถ้ามีมีพวกดวงวิ ญ, ญญาณที่ต้องการบุญที่เกิดจากการให้ทานมารอรับเขาก็ได้รับแต่ถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่ได้ พวกที่ต้องการธรรมะก็ต้องมาฟังธรรมฟังธรรมเขาก็ต้องฟังจากผู้ที่สามารถติดต่อเขาได้เสียงพูดนี้มันเขาเขาเขารับไม่ได้ก็ต้องมีกระแสจิตติดต่อกันถึงจะจะ ถ, ถ, ถึงจะฟังธรรมได้อ๋อหมายความาผู้รับเนี่ยต้องมาเฉพาะตอนที่มีงานอย่างเงี้ยเหรอครัอาจารย์แบบเรียกมาอย่างเงี้ยอ๋อต้องมีคนไปเรียกอย่างเงี้ยเหรอไม่เรียกเข้ามาเองอ่ะ แต่ต้องจัดงานต้องเป็นงานก็เวลาไหนก็ได okay. okay. ้นะเช่นตอนตอนเช้าเวลาเราทําบุญใส่บาศณ์แล yeah. ้วก็แล้วก็เอาทุอุทิศบุญถ้ามีมีใครมารอรับอยู่เขาก็เอาไปแต่ถ้าเรากําหนดเจาะจงว่าต้องเป็นนายกรนายขอเขาก็เอาไปไม่ได้เหมือนเราเขียนเช็คเ่ยถ้าเราไม่ใส่ชื่อลงไปเขียนเขียนเป็นเงินสดใครก็เอาไปได้แต่ถ้าชื่อของนายกรนายขอนี่เขาก็เอาไปไม่ได้ถ้างั้นความเป็นจริงเราไม่ควรจะระบุอะไรใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่เพราะบางทีเพอ่อบางทีเราต้องการที่จะให้ให้คนนั้นคนนี้เราก็ต้องระบุแล้วเราอาจจะเผื่อต่อไปก็ได้ว่าหรือหรือละหรือระบุนายกรนายขอและหรือทัอ้งสรรพสัตว์อ่าและสรรพสัตว์ทั้งหลายใครมาก่อนก็เอาไปก่อนถ้าไม่ต้องการให้คนอื่นมาเอาก็ต้องเจาะจงเอาคนนั้นคนเดียวเช่นเมื่อคืนนี้พ่อเข้าฝันอย่างเงี้เแล้วฝันถึงพ่ออย่างเงี้ยเราก็เขอทิดบุญวันนี้ให้พ่อไปเผื่อไว้เผื่อพ่อมาขอบุญ เพราะมันเป็นไปได้ว่าเวลาเราฝันเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นฝันคือเราไม่ได้คิดไปเองมันเป็นของจริงดวงวิญญาณเขา้ามาก็อย่างที่มีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าแผ่นดินท่านนอนไม่หลับนึกกันพอมีใครมาส่งเสียงดังลั่นในวังอตอนเช้าก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครเป็นอะไรพระเจ้าก็บอกอ๋อวมันเป็นลูกน้องเก่าอมาัด ในอดีตชาติเคยเป็นลูกน้องเก่าแล้วพระเจ้าแผ่นดินเคยใช้อามานี้ไปทำบุญแล้วอามานี้มันก็ไปเอาเงินส่วนหนึ่งยักยอกเงินไม่ได้ไปทำบุญเอมันตายไปมันเลยไปเป็นเปรตเปรตมันก็หิวไม่มีบุญไม่มีความสุขมันก็เลยมาหาพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายเก่ามาส่งเสียงโมกว่าดงดังอะไรลบกวนทำให้ท่านนอนไม่หลับ ไปกราบพระพุทธเจ้าถามว่าให้ทำยังไงพุทธเจ้าบอกทำบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้มันไปอันนี้เป็นเรื่องจริงเขามาขอบุญจริงๆอันนี้เราทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเพีงจตคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่ตายไปแล้วอยากจะให้เขาสบายกลัวเขาจะเดือดร้อนแล้วก็อุทิศไปถ้าเขามารอรับเขาก็ได้ไปถ้าเขาไม่รอรับเขาอาจจะไปเป็นเทวดาแล้วก็ได้ เาอา จ, จะทาบุญมากกว่าเราเสรได้ซ้ำไปเขาก็ไม่ต้องมาร อ, อ, อรับส่วนบุญแต่ถ้าเ้าไม่ได้ทำบุญเขาก็อาจจะมารอรับหรือไม่มาร อ, อรับก็ได้แล้วแต่ก็แล้วแต่เราถ้าเราเป็นคนไม่ทำบุญเขาก็ไม่มารอรับให้เสียเวลาเ้าก็ไปอยู่แถววัดดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมที่วัดอย่างมีคนทำบุญเยอะแยะคนที่จะไปรับทานเนี่ยอย่างสูนักเนี่ยมันก็ไปอยู่วัดกันนะเพราะไปอยู่วัดแล้วมันมีข้าววัดกินกัน ถ้าไปอยู่ตามข้างถนนนี้โคตตายกันงนั้นมันก็อยู่คนที่ต้องการบุญหรือไม่ต้องการบุญถ้าก็าต้องการบุญเขาก็รู้ที่ไปเองอะที่ไหนมีมีคนทําบุญอุทิศเขาก็จะไปที่นั่นกันไปตามวัดต่างๆกันอ้าค่ะะอาจารย์ค่ะเอ่อถ้าเกิดเราเปิดธรรมบัญญายหรือว่าเปิดบทสวดมนต์ต่างๆภายในบ้าน ผู้ที่ได้รับบุญกุศลหรือว่าออประโยชน์จากการเปิดนี้จากฟังนีกอกการฟังเทศฟังธรรมนี้มันต้องตั้งใจฟังต้องไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยมันถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าทำอย่างอื่นแล้วก็ฟังไปนี่เหมือนฟังเพลงเป็นแบ็ k กราวนี้มันจะได้บ้างนิดๆหน่อยๆเพราะฟังไม่ประติดต่อเพราะเราจะต้องใจเราหยดจ่ออยู่กับงานที่เราทาอยู่ เราก็จะไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วธรรมนี่บางทีมันแสดงด้วยเหตุด้วยผลมันต้องฟังอย่างต่อเนื่องมันถึงจะเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดผลงนั้นการจะฟังธรรมจริงๆนี่ต้องฟังแบบตอนนี้เรานั่งนี้นั่งเฉยๆเวลาพูดนี่ก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวแล้วก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมา ถ้าไปเปิดแบบเนี้ยบางทีเดี๋ยวนี้ก็มีเสียงตามสายตอนเช้าบางทีเดินผ่านไปบิณฑบาตเขาก็เปิดเสียงเทศเสียงพระไปคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังแล้วก็ทํานูน่นทํานี่ไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่รวมถึงเ อ, อทวดาผีเล่าผีอะไรอย่างนี้เนี่ยขาฟังเสียงไม่ได้ไงก็ต้องฟังฟังเสียงทิพนี่มันเสียง เสียงออกจากปากนี่มันเทวดาเข้าไม่ถึงเราต้องใช้เสียงทิพย์เราต้องใช้กระแสจิตของเราเราต้องติดต่อกับเทวดาให้ได้ก่อนขั้นต้นต้องต่อสายเชื่อมกันให้ติดก่อนถ้ายังต่อสายเชื่อมกันไม่ติดมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นคนที่ไม่มีพลังจิตไม่สามารถติดต่ อ, อเทวดาได้สอนเทวดาไม่ได้เข้าใจไหม มือนคนที่พูดคนละภาษาเนี่ยเราเปิดเทศภาษาไทยฝรังฟังก็ไม่รู้เรื่องมันมันมันมันไม่เชื่อมต่อกันภาษาของเทวดาต้องเป็นภาษาใจต้องเป็นเสียงทิพที่เสียงเนื้อพูดนี้เป็นไม่ใช่เสียงทิพต์อันนี้เป็นเสียงที่ออกมาจากปากนั้นเ ท, เทวดาฟังไม่ได้ มีคำถามอไหมมีครับพอาจารย์คำถามข้อต่อไปจากคุณจิตทวันนะครับท่านที่อวดตัวว่าสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วเวลาไปกราบสนทนาจะคุยเรื่องอภิธิหานตลอดเวลาท่านเก่งกว่าใครในสามแดนมีลูกศิษย์สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์กับท่านมากมายพอมาคุยสนทนากับลูกศิษย์ท่านสนทนาเหมือนท่านอาจารย์อภินิหานล้วน พอมาคิดถึงหลวงตามหาบัวจึงคิดว่าไม่ใช่คนที่อวดตัวจนมีลูกศิษย์เยอะมากลาบมากด้วยจะ ต, ต้องตกนรกหรือเปล่าครับถ้าเป็นการอุตริทํามันวิเศษที่ไม่มีในตอนก็ก็เป็นปา ร, ราชิกอย่างน้อยที่สุดก็ตัดทางเดินไปสู่พระนิพพานจะไปตกนรกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าไปโกหกหลอกลวงไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมา ด้วยการโกหกหลอกเลวหรือไ ม, ไ ม, ไม่อันนี้มันก็ยังไม่โทษไม่ร้ายแรงเหมือนกับไปฆ่าผู้ถ้ายังไม่ฆ่ามันก็ยังไม่ตกตะลกหรือย่างมากก็ไปเป็นเปรต น, นู่คำถามข้อต่อไปจากคุณนักการนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าลูกนั่งครั้งแรกประมาณหชั่วโมงกว่ า, ก, วาก็นิ่ง เห็นเหมือนจิตตัวเองและเป็นสุขมากๆจนเหมือนตัวเองไม่ได้นึกพุโทโธเลยอย่างนี้เรียกว่าฟุกหรือเป็นบุญเก่า<ม>เจ้าคะและลูกอยากจะไปรอใส่บาทจะต้องไปรอที่ไหนเจ้าคะลูกจะไปจากปาจีนแต่เช้ากลัวไม่ทันเลื่องนั่งสมาธิถ้ามันเป็นข้างเดียวข้างแรกมันก็อาจจะฟุกก็ได้ถ้าอยากจะรู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นก็ต้องนั่งบ่อย นั่งบ่อยๆนั่งทุกครั้งแล้วมันก็สงบทุกครั้งก็แสดงว่ามันไม่ฝึกเหมือนคนที่ยิงปืนเข้าเป้ายิงนัดเดียวเข้าเป้าเลยแต่พอยิงอีกหลายๆนัดก็ไม่เข้าเป้าก็แสดงว่ามันฝึกส่วนบินทบาตเมื่อเช้านี้ให้คุณตอบถ่ายใบายปากทางที่จะเข้าไปบินธบาตเห็นหรือเปล่านาจอมเทีน 30, ยนสาสิบเยะเริ่มตอนที่ปากซอยนาจอมเทียนสาสิบอยู่ที่บนถนนสุ ข, ขุมวิท มาจากพัทยาประมาณสิบกว่ากิโลทางที่จะไปสัตหีบจะมีผ่านตำบล น, นาจอมเทียนแล้วซอยต่างๆนี้เขาจะตั้งชื่อนาจอมเทียนหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆก็ดูถึงนาจอมเทียนสามสิช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงฤ ด, ดูร้อนพราที่ขึ้นเร็วภาก็จะออกบินธบาตเร็วเมง่วันนี้เวลาเริ่มบินธบาต ท, ที่บ้านอนเภอก็ประมาณ ตีห้าสี่สิบตีห้าสี่สิบห้าตีห้าห้าสิบตห้าห้าสิบแต่ต่อไปมันก็จะสายไปตามตีห้าสี่สิบแล้วมาเช้านี้ดูราฬกาก็เสร็จประมาณหกโมงหกโมงยี่ห้าหกโมงสามสิบเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่มากถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระนี่ก็อาจจะถึงสี่สิบห้าถึงจะเสร็จเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่วัด ถ้าอยากจะตามมาใส่ที่วัดก็ยังได้มาที่วัดมาที่ศาลาพ้าก็ยังจะต้องรับบาตรับอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันเมื่อเช้านี้โดยนาิกาก็ประมาณแปดโมงงั้นถ้ายังมาสายอยู่ใส่บาทไม่ทันก็มาใส่ที่ศาลาก็ได้คำถามข้อต่อไปนะครับมีคำถามสงสัยเรื่องศีลห้า ในข้อห้ามฆ่าสัตว์เวลาที่เราไปตลาดซื้อเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารถือเป็นการสนับสนุนการฆ่าสัตว์หรือเปล่าคะเพราะพ่อค้าแม่ค้าจะต้องฆ่าสัตว์แทนเราถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาก็เราก็ไม่ได้ทําบาหรือเราถ้าเราไม่ได้สั่งเขาหรือทําเองเนี่ยไม่ถือไม่ถือว่าเป็นบาส่วนเนื่องซื้อเนื้อสัตว์มากินนี่จะว่าสนับสนุนหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ เขาเป็นคนทํามาขายเราไม่ได้เป็นคนบอกให้เขาทามาขายถ้าเราอยากจะถ้าแคเราคิดว่าเป็นการสนับสนุนก็อย่าไปซื้อก็แล้วกันถ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นการสนับสนุนเป็นเป็นเรื่องของที่มันก็ตายอยู่แล้วคุณจะซื้อไม่ซื้อมันก็มันก็ตายแล้วแต่จะเป็นการสนับสนุนให้เขาข้ามเพื่อมาขายหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดก็แล้วกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม ไม่ได้ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมารับประทานห้ามเพียงแต่ว่าไม่ให้ซื้อลรือรับเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อเราโดยตรงถ้าเขาบอกเนี่ยผมฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่เพื่อให้คุณมาซื้ออย่างเี้ยถ้าเขาบอกเงี้ยเราก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาทำแล้วก็ขายให้กับคนทั่วไป ใครจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เราก็ไปซื้ออีกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงแม้เราไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้ออยู่ดีคิดว่าทุกคนจะไม่ไม่ซื้อเนื้อสัตว์เลยถ้าคุณคิดว่าเป็นเป็นการซื้อเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้เข้าข้างยังไงเป็นการผลิตรถยนต์ก็เป็นการส่งเสริมให้คนไปชนรถตายกันเลชนคนตายกันเลยยังไก็ไม่ต้องทําอะไรหรอก ว่ามันทำอะไรมันก็มีผลที่เสียหายตามมาอย่างแน่นอนสร้างถนนก็สร้างไม่ได้สร้างถนนรถมันก็วิ่งเดี๋ยวก็พลิกคว่ํามันก็ชนกันก็สนับสนุนให้รถชนกันให้รถพลิกคว่ําคุณก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกเงี้มันไกลเกินไปอย่าไปเอามันถึงตรงนั้นเอาแค่ใกล้ใกล้เราไม่ได้สั่งเขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองก็พอแล้ว ส่วนถ้าของมันตายแล้วคุณจะซื้อล้วไม่ซื้อคุณจะกินไม่กินมันก็ไม่ได้เป็นเปลี่ยนแปล ง, องไอ้ไอของที่มันตายแล้วแต่ประดุกที่ไปชี้แล้วสั่งทุกหัวนี่อ่นาน่นอนถ้าอย่างนี้มันสั่งแล้วไนงะขอโอกาสครับยังตอนนี้ช่องสามมีละครเรื่องปาวุจินออกอากาศอยู่นะครับปวุจินเนี่ยเป็นผู้พรดุมคุณธรรมประดุมความยุติธรรมนะครับในทั้งโลก แต่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วสั่งประหารชีวิตปาวุจินสั่งประหารชีวิตด้วยทางตัดหลือย่างเนี้ยถือว่าพระวุจินเนี่ยมีความ ม, มีบาปไหมครับบาปสั่งสั่งให้เขาฆ่าฆ่าเองอ<ม>บาปเป็นแต่ว่าบาปมากบาปน้อยอันนี้บาปน้อยเพราะว่าไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาจงใจจงเกียรติจงชังอาฆาตพยาบาทถ้าเพราะทําหน้าที่ ของผู้พิพากษาถ้าไม่อยากจะบาปก็อย่าไปทำหน้าที่นี้อย่าไปเป็นเพชฌฆาตเ ป, าาเป็นทหารเป็นตำรวจนีเวลาไปทำลบสงรามไปฆ่าผู้อื่นก็บาปเหมือนกันเพียงแต่ว่าบาปมันมีหนักมีเบาถ้าบาปแบบนี้มันเบากับบาปที่ทำด้วยความโ ก, กรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจงเกลียดจงชังกันนี่บาปนี้ทำเพื่อป้องกันตัวป้องกันประเทศ ร้องการสังคมให้อยู่กันอย่างปกติสุขก็บาปแต่มันบาปเบากว่าบาปที่เกิดจากการที่เราเข็นฆ่าด้วยความโลภอยากจะได้ทรัพย์ของเขาก็เลยไปป้นไปจี้เขาแล้วก็ฆ่าเขาเพื่อปิดปากไม่ให้เข้ามาจับเราไปแจ้งความไปจับเราไปลงโทษถ้าบาปแบบนี้มันหนักกว่ามันก็ยังบาปอยู่แต่ถ้าทำคุณงามความดีเพื่อชดเชอยอย่างนั้นพอได้ครับ มันช่วเชยกันไม่ได้แต่มันสามารถที่จะแย่งจิตให้ไปสู่ที่ดีก่อนเวลาจิตเราเวลาร่างกายเราตายนี้เราจะมีบากระบุญที่จะมาแย่งจิตของเราจะดึงไปทางของมันบากก็จะดึงไปอาบายบุญก็จะดึงไปสวรรค์แล่าต่ายว่าใครมีกำลังมากกว่ากันสมมติว่าบุญมีกำลังมากกว่าบากบุญมันก็จะดึงไปสวรรค์ก่อน จนกว่าบุญกับบาปมันเท่ากันมันก็จะมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วมาทําบุญทําบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปอบาอยเหมนถ้าตราดใดที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราทําบุญมากกว่าทําบาปเราก็ยังรอลงอายาไว้ก่อนคือบาปที่เราทําไว้รอลงอายาไว้ก่อนเพราะเรามีความดีที่จะดึงใจเราให้ไปรับผลบุญก่อนพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทำสองอย่างให้ทําบุญรับลาบบา แล้วรอบรองได้เวลาตายนี้จะไม่ไปอบยัยถ้าทุกภพทุกชาติมาเกิดทำบุญมากกว่าทำบาปบาป ท, ที่เคยทำไว้มากน้อยก็ยังรอลงอายาไว้ก่อนยังไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปรับผลบาปคำถามข้อต่อไปจต่คุณพอลลี่แจนนะครับจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะพัฒนาสติให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ใจเผลอสติเวลาที่มีสิ่งมากระทบ ขั้นแรกก็คือต้องตั้งตั้งใจตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งสติเราจะเจริญสติแล้วขั้งที่สองก็คือให้มีความพยายามทําตามที่เราตั้งใจแล่ว่าต่อไปนี้พอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่จะทำก็คือพุทโธก่อนแล้วเวลาไปทำจิตส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้พุทโธไปเรื่อย ไม่ให้ไปคิดเสียงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาจะต้องคิดถ้ามีความจําเป็นต้องคิดจริงๆก็หยุดชั่วคราวได้เช่นวันนี้ดูว่าวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่วันนี้จะต้องไปทําธุระที่ไหนบ้างคิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วเวลาไปเตรียมตัวที่จะไปทําภารกิจต่างๆตอนนั้นก็ให้ใช้พุทโธกลับกับใจไปเรื่อยๆเราต้องมีมาตรมาตรการมีกําหนดข้อปฏิบัติ ถ้าเราปล่อยให้ทำไปตามอำเภอใจมันจะไม่ไปเราทุกวันเราจะมาวัดผลดูว่าวันนี้เราได้ทำตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าเราลืมตาขึ้นมาเราพุทธโทรหรือเปล่าเวลาเราอาบน้ำอาบท่าแปรงหน้าล้างหน้าแปรงฟันเราพุทธโทรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำก็แสดงว่าเรายังไม่มีความพยายามเราไม่ได้ทำตามความตั้งใจเราก็ต้องแก้ไขใหม่ทาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่ หรือไม่ต้องพุ่งนี่เดียวนี้เลยตอนนี้ไม่มีอะไรทําก็พุทโธไปเลยอทั้งพุทธโทรเหมือนร้องเพลงไปทำไมเาเวลาร้องเพงลงร้องได้ทํางานไปร้องเพลงได้อาบนะ้ําไปร้องเพลงได้แต่พอจะให้มาพุทธโธรทำไพุทธโทไม่ได้มัน ก, มนก็มันก็ตัวเดียวกันความคิดปรุงแต่งเหมือนกันเแตาความคิดปรุงแต่งทางพุทโธนี้มันทําให้ใจสงบทําให้ใจว่างทําให้ใจเย็นแล้วเราต้องมีการตั้งเป้าวางแผน เราถึงจะสามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าวางแผนเราไม่มีความพยายามมันก็เหมือนเดิมทุกวันน่ะตอนต้นก็บอกอยากจะมีสติควาอยากจะมีสติมันไม่ทําให้เกิดมีสติขึ้นมาหรอกจะอาจจะมีสติดได้ก็ต้องเหมือนกับชาวนาวชาวไร่ว่าปีนี้จะปลูกข้าวกี่ไรอ่พอถึงเวลาต้องไปไถานาก็ไปถึงเวลาหว่านก็หว่านมันต้องทาอ่ะ แต่ถ้าเพียงแต่อยากเฉยๆปีนี้อยากจะปลูกข้าวสักสิบไร่แต่พอถึงเวลาก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นกันมันก็ไม่มีข้าวให้กินแล้วนั้นถ้าเราอยากจะมีสติสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือตั้งฟั้งปาวะต่อไปนี้เราจะต้องสร้างสติขึ้นมาเราจะใช้พุโทโธตลอดเวลาในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดที่จําเป็นที่ต้องใช้ เพื่อที่จะกำจัดความคิดฟุ้งซ่านความคิดเพ้อเจอความคิดเพ้อฝันต่างๆที่ไม่มีคนมีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้ใจเราเครียดไปเปล่าๆใช้พุโทโธพุโทโธแล้วใจจะเย็นแล้วพอเราทำได้สักรังมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันจะเป็นของมันไปโดยอัตโนมัติคำถามข้อต่อไปจากคุณอ้อยสุวรรณนะครับเวลานั่งสมาธิจะมีน้าลายถ้าไม่กืนก็จะเต็มปาก ลงหลอดลมหายใจไม่ออกทําให้ไม่มีสมาธิจะทำอย่างไรดีเจ้าคะอย่าไปดูน้ําลายแตให้ดูพุโทโธให้ดูลมถ้าเราดูลมเราดูพุโทโธนี่มันจะไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันถ้ามันจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดิงใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธแล้วอยู่ที่ลมแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรถ้าเราใช้พุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธอย่าไปสนใจกับน้ําลายบางคนก็คนันพอนั่งนิดคันยิ่ง ยิ่งมองยิ่งคันใหญ่นึกถึงมันมันยิ่งคันใหญ่เนี่ยแสดงว่าเราเผลอสติแล้วไม่มีสติอยู่กับพุทธโธไม่มีไม่ได้อยู่กับลมแล้วไปอยู่กับน้ำลายเน้นอย่าไปสนใจน้ำลายนะเวลาเราเริ่มภาวนาก็อยู่กับพุทธโธไปเลยอยู่กับลมไปเลยแล้วอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้วมันจะไม่มาเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเพราะเราไปปลูกแต่งโอ้เดี๋ยวจะล้นปากเดี๋ยวจะน้ำลายไหลออกมาเวลาเราอยู่กับพุทธโธมันไม่มาหรอก ใช่ครับพระอาจารย์จัดที่สังเกตไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหมครับถ้าหากว่านั่งสมาธิแล้วมีสมาสติดีเนี่ยน้ำลายมักไม่ค่อยออกมาครับพระอาจารย์มันไม่ออกหรอกเราไม่ไปปรุงแต่งให้มันออกเองเราอยู่กับพุโทโธทุกอย่างมันก็จะไม่มายุ่งกับเราแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณพัทธรินนะครับเวลานั่งสมาธิตัวหนักเหมือนก้อนหินฟันก็หนัก ให้ดูพุทโธหรือเปล่าอให้ดูพุทโธไปอย่างเดียวอาการต่างๆที่ปรากฏนี่อย่าไปสนใจมันเป็นภาพลวงเท่านั้นน่ะมายาไม่ไม่มีความหมายอะไรมันต้องการที่จะมาทําลายสมาธิเราต้องการที่จะทําให้เราเผลอเพื่อเราจะได้เข้าไม่ได้เข้าสู่ความสงบพูดง่ายๆก็คือเป็นกลอุบบายของกิเลสที่มันไม่ชอบความสงบมันชอบออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันชอบไปกับความคิดปรุงแต่ง พอมันถูกกำจัดไม่ให้ไปมันก็เลยหาหาแผนวางแผนต่อต้านมันก็เลยจะสร้างอาการต่างๆขึ้นมาบางทีนั่งรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเลยเวลานั่งดูทีวีนี่มันไม่เครียดเลยพอนั่งพุทโธพุทโธหน่อยมันตึงขึ้นมาบางทีนั่นที่หัวบ้างนั่นที่ศีรษะหน้าผากบ้างบางทีนั่นที่หน้าอกบ้างมันเป็นอาการของกิเลสสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทาให้เรา ไม่อยากจะทำเพื่อจะได้ไปทำตามที่กิเลส ต, ต้องการให้ทำงั้นอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานหรื อ, อ, อสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นพุทธโธก็อยู่พุทธโธไปถ้ามันช้าหน่อยก็ลองให้มันถี่ขึ้นก็ได้ถ้ามันยังเข้ามายุ่งมาวุ่นวายกับเราแล้วก็บริกรรมให้มันถี่ขึ้นไปเร็วขึ้นไปหน่อยหรือดูลมก็ได้ดูลมก็ดูไปอย่างเดียว ลมนี่เราไปบังคับลมไม่ได้ต้องปล่อยให้ลมเป็นธรรมชาติไปอย่าไปหายใจเร็วหายใจช้ามันจะไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> ปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่ดูลมถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธ ถ, ถ้าพุทโธนี่เราบริกรรมช้าเร็วได้ไม่เป็นไรถ้าเราสงบแล้วเราแบบเหมือนหลับแล้วคะกจะแก่ก็แสดงว่าสติเรามันมีกาลังน้อยมอนถึงหลับก็ต้องฝึกสติให้มาก ก่อนที่จะมานั่งสองอาจจะกินมากไปก็ต้องผ่อนอาหารลดอาหารลงคนที่ภาวนาเขาถึงแนะ น, นำให้ถือศีลแปดกันอย่างน้อยไม่ไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วให้กินมื้อเดียวคำ ถ, ถามข้อต่อไปจากคุณนิกกี้นะครับลูกรักษาศีลห้าได้แล้วตอนนี้พยายามรักษาศีลแปดเจ้าค่ะ แต่ว่าเป็นแม่ต้องทำกับข้าวตอนเย็นบางทีก็ต้องชิมชิมแล้วบ้วนทิ้งผิดศีลไหมคะถ้าทำตามหน้าที่ไม่ได้ทำตามความอยากไม่เป็นไรหรอกถึงไม่จะผิดศีลก็ไม่ผิดไม่ผิดเจตนาการที่ไม่ให้กินหลังเที่ยงวันเพื่อเพื่อสกัดความอยากท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกต้องทำกับข้าวให้ให้ลูกชิมแล้วไม่ต้องบ้วนทิ้งก็ได้หรอกเกินเข้าไปก็ไม่เป็นปัญหาหรอก แต่อย่าไปกินด้วยความอยากชิมก็แล้วก็พอชิมคำนี่อร่อยเนี่ยวะ่ะเอาไว้สักคำาลยคำถามข้อต่อไปจากคุณจูนะครับอคล้ายๆเปาบุญจินนะครับอาชีพผู้พิาพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตคนผิดนี้บาปหรือไม่คะก็บา ป, ปนพ่อไม่ส่วนไปสั่งให้เขาฆ่าเนี้ยฆ่าเองก็ดีสั่งให้ผู้่นฆ่าก็ดีก็บาป แต่บาปมันมันไม่มากเท่ากับบาปที่เราไปทำด้วยความโกรธเกลียดเคียด <c oughs> แค้นอาฆาตพยาบามหรือความโลภอยากจะได้ทรัพย์ของผู้อื่นก็เลยไปฆ่าเขาเพื่อที่จะได้ชิงทรัพย์เขามาถ้าบาปแบบนี้มันร้ายกาจกว่าบาปที่เราทำเพื่ อ, อรักษาสังคมให้อยู่อย่างปกติสุบมีได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญมันก็พอที่จะยันกันไว้ได้อยู่ให้ความยุติธรรมต่อผู้ที่เดือดร้อน ให้ความเป็นธรรมตอบผู้ที่เขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายแล้วก็ลงโทษผู้อื่นเพื่อปรามเพื่อทำให้ผู้อื่นไม่กล้ากระทำตามมันก็มีผลมีประโยชน์มันก็เป็นบุญเหมือนกันแลงน้นบางทีทําทาอย่างเดียวกันนี้ได้ทั้งบุญและได้ทั้งบาปไปด้วยกันคุณศักชัยถามว่าหมอดูทำไมอนาคตได้จริงไหมควรเชื่อไหมทาไมคนใหญ่คนโตจึงเชื่อมาก อนาคตนี้มันผูดทางวจริงไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันยังไม่เกิดอ่ะแม้แต่พระพุทธเจ้านี้ก็ยังต้องทํานายเป็นสองทางเลยว่าอาจจะเป็นมหาจากักรพรรดิหรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของการทํานายแล้วคนที่ทํานายก็ไม่เคยมารับประ ก, กันว่าทํานายอนาคตแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องเรื่องอนาคตที่ที่พระพุทธเจ้าแม่เน่ยไม่เชื่อกันน่ะ สิ่งที่ทํานายแล้วแม่นนี่ไม่ชอบกันนะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ไม่ชอบกันนะชอบไปไอ้ของที่มันไม่แน่นอนนะว่าจะรวยหรือจะจนหรือจะเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่เนี่ยชอบกันเหลือเกินแต่ไอ้ของจริงๆของแท้ๆเนี่ยมแม่นร้อเอร์ซ็นตี่ไม่ชอบกันนะว่าคุณเกิดมาแล้วคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอันนี้แหละคือการพยากรณ์ที่แม่นจริงๆของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะแม่นกว่าพระพุทธเจ้าหรอ คำถามข้อต่อไปจากคุณดาราพรนะครับลูกไปทําทานแทนพ่อแม่ที่ไม่สามารถไปเองเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานเป็นต้นทานที่ทําแล้วพ่อแม่จะได้บุญโดยอัตโนมัติหรือไม่คะขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นความคิดของพ่อแม่หรือเปล่าเช่นพ่อแม่บอกอยากจะทําบุญแล้วสองต้องเป็นเงินทองเป็นข้าวของของพ่อแม่พ่อแม่ถึงจะได้บุญเพียงแต่ พ่อแม่ไม่สามารถมาทำเองได้ก็ฝากให้ลูกมาทำให้ถ้าอย่างนี้ได้บุญคือหนึ่งต้องมีเจตนามีความต้องตั้งใจสองต้องเป็นของของตนเองถ้าไม่เป็นสองอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญแต่แม่เป็นของตนเองลูกเอาไปทำให้แต่พ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญหรือพ่อแม่รู้ไม่ไม่อนุโมทนาไม่ยอมไม่ยินยอมก็ไม่ได้บุญเสียใจเสียดายเงินี่เสีย อาไปทำบุญทำไมฉันไม่ได้สั่งเธอท่าหน่อยถ้าว่ า, างี้เขาก็ไม่ได้บุญมันต้องเกิดจากเจตนาต้องการเสียสละบุญนี่คือการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นของเราไปให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับถึงจะเรียกว่าบุญถ้าให้บุญไปแล้วให้ไปทำบุญแล้วต้องขอพระกรรมมาสักองค์อย่างเนี้ย อย่างนี้ไม่ได้เป็นทำบุญแล้วไปซื้อพระกันเข้าใจไหมเหมือนกับเราไปร้าน e l เว่ n ไปซื้อขนมเนี่ยให้เงินเขาเขาก็ให้ขนมมาเราไปว่าเราอยากจะได้ไปเช่าพระก็เรียกว่าเช่าพระก็เอาเงินไปทำบุญแล้วก็เอาพระกลับมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญ แล้วพ่อแม่ไม่ทราบแต่ว่าเจตนาของลูกอย่างเนี้ยบุญตกไปที่ลูกคนเดียวก็ครับไม่ถ้าเป็นเงินของพ่อแม่ก็ลูกก็ไม่ได้ครับพราะมันลูกเอ่ะถ้าเป็นเงินของลกูกเพียงแต่ว่าเจตนาลูกเนี่ยจะทําให้พ่อแม่ทำให้ไม่ได้ไงไม่ได้เออแล้วบุญนั้นยังมันตกที่ <c oughs> ทุกคนทำใครทําใครก็ได้เห <c oughs> มือนคุณกินข้าวคุณไปกินข้าวอิ่มแล้วก็มาบอกพ่อแม่วันนี้หนูหนูกินข้าวให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่จะอิ่มไหมไม่อิ่มหรอก แต่ว่าถ้าเราชักชวนให้มาทำบุญกับเราได้ก็ฝากประทับถ้าเข้ามาก็ยินดีจะมาก็ได้เราไได้ฝากปัจจัยอะไรท่าขก็ฝากมาได้ต้องต้องเป็นปัจจัยของเขาแล้วถ้าเกิดมาแบบเสียนี้ได้ครับลูปบังคับนะครับก็อย่างนั้นถ้าเข้ามาแล้วก็ยังทำก็ยังได้แต่จะไม่ได้เต็มร้อยเพราะถ้าเราให้ให้ด้วยความเต็มใจมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้บุญมากเท่านั้น พ่าเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทังนั้นถ้าให้แบบไม่เต็มใจมันก็สุขสุ ข, สขดิบเด็ดได้ครึ่งเสียครึ่งยังเสียดายเงินอยู่ครึ่งหนึง่งแต่ก็ต้องทําตามใจลูกอย่างนี้อ่ะก็อย่างน้อยก็ยังเสียสะละอยู่ย่อมยังย่อมเสียสะละอยู่แต่ไม่ได้เต็มร้อยคาถามข้อต่อไปจากคุณมะขิ่นนะครับหากนั่งปฏิบัติอยู่แล้วปรากฏว่าศีรษะ สั่นเราควรฝืนไม่ให้สั่นหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่มีสติรู้พอแล้วดูเฉยๆครับไม่ควรจะให้สั่นร่างกายเวลานั่งสมาธินี้ร่างกายต้องนิ่งเฉยต้องนั่งนิ่งเฉยเฉยถ้าสั่นแสดงว่าจิตมันไปทําติ้ลทให้ร่างกายสั่นก็แสดงว่าเราไม่มีสติควบคุมมันเราต้องการควบคุมจิตที่สั่นสั่นเพราะจิตไม่ได้สั่นเพราะร่างกายสั่นเพราะเราไม่มีสติกําลังไม่พอ ไม่อยู่กับพุทธโธไม่อยู่กับลมเพลอะปล่อยให้มันสัน่นเ่ยมีคำบอกเล่าต่อเนื่องหรือคำถามไม่ท่ำนะครับจากคุณนานะครับที่ถามว่ า, าโดนคนดูถูกแล้วก็มีมานะในตัวนะครับโยมปกติเป็นคนอ่อนน้อมค่ะแต่ถ้าถูกดูถูกโยมมักจะกโกรธเจ้าค่ะ ถ้าอ่อนน้อมไม่ไปกจะไปโกรธเขาทำไมแสดงว่าไม่อ่อนจริงไม่น้อมจริงคำถามข้อต่อไปจากคุณ MVK นะครับฝึกจิตระดับไหนถึงจะตัดการยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสครับก็ในระดับที่ตัดได้นั่นแหละ ถ้าตัดได้เมื่อไหร่ก็มันไม่มีมันไม่มีเกวัตหรอกมันไม่เหมือนรถที่ววิ่งขเร็วกี่ร้0ยกิโลถึงจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันก็วัดตัวตัวที่ผลแหละถ้าเราตัดได้เราก็ตัดได้ถ้าเราตัดไม่ได้ก็ยังตัดไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณกิติพัฒน์นะครับอยากสอบถามเรื่องวิธีการปฏิบัติระหว่างวันนอกรูปแบบ เพื่อให้จิตตั้งมั่นสําหรับให้เห็นความจริงตอนนั่งสมาธิในรูปแบบครับ <c oughs> มีนั่งรูปแบบในรูปแบบ <c oughs> ออในรูปแบบนะใช่ไหมถือขนาดแบบก็คงเป็น น, น, นั่งสมาธิแต่ตนั่งแบบไม่ใช่การนั่งสมการนั่งสมาธินี้ ม, มันก็มีผลได้หลายทางถ้าเรานั่งเพื่อความสงบจิตก็จะได้อุเบกขาถ้าเราต้องการนั่งให้เกิดปัญญา เราก็นั่งนั่งแบบให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความเจ็บถ้าเราปล่อยวางความเจ็บได้ไม่สะทกสะท้านอยู่กับความเจ็บได้เราก็จะได้ปัญญาเราก็จะผ่านความเจ็บต่อไปความเจ็บก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้จากการนั่งสมาธิส่วนนอกรูปแบบก็คือเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ดึงใจให้มาคิดทางปัญญา ให้พิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นตายรักเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆถ้าเราปล่อยวางได้เวลาเราสัมผัสกับสิ่งต่างๆใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับมันมันก็นี่จะเรียกว่านอกรูปแบบก็ได้คาถามข้อต่อไปจากคุณแป้งนะครับเวลาทำบุญให้ทานต่างๆเราไม่อธิษฐานอะไรเลยเราจะได้ผลของบุญนั่นไหมครับ ได้บุญนี้เกิดจากการกระทำไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานแล้วการอธิษฐานของพวกเราก็ผิดหลักของการอธิษฐานเพราะเราบาอธิษฐานที่ผลใช่ทำบุญนี้แล้วขอให้ไปนิพพานขอให้ได้เรียนจบให้ได้แฟนที่ดีให้สามีภรรยาที่ดีอันนี้ไม่ใช่เป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องการอธิษฐานตามหลักของของศาสนานี้ให้อธิษฐานที่เหตุ คือว่าถ้าเราทําบุญวันนี้ก็อธิษฐานว่าขอให้เราได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอให้เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือทํามากไปกว่านี้เพราะว่ามันจะได้ทําให้เราได้ทำํำพอเราได้ทําแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปอธิษฐานที่ผลไม่ต้องไปขอผลแล้วขอผลที่มันไม่เกี่ยวกับเหตุมันก็ไม่ได้อยู่ดีเช่นวันนี้ใส่บาตแล้วเย็นนี้ขอให้ถูกหวยนี่มันไมันคนจะเรื่องกัน อ, าาอ่ะเพาใจไหมมันไม่เกี่ยวกัน การทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสียสละลดความโลภลดความตณีตัดความอยากใช้เงินให้มันน้อยลงไปแทนที่จะเอาเงินไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็เอาเงินไปทำบุญซะมันจะได้ไม่ไปติดติดกับการใช้เงินซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่ทุกงวนอันนี้คือหลักของการทำบุญ ส่วนการที่ฐานนี้ถ้าเราอยากจะไปพระ น, นิพพานเช่นเราอยากจะไปพระ น, นิพพานเราก็ต้องอธิษฐานเหตุที่จะทำให้เราไปนิพพานเช่นคนจะไปนิพพานนี้ต้องทำอะไรต้องออกบวชต้องไปปฏิบัติธรรมไปทุดดงไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปศึกษาไปปฏิบัติอันนี้ต้องอธิษฐานตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ไปสร้างเหตุเหมือนกับชาวนาชาวไร่ปีนี้อยากจะได้ข้าวสิบไร่ก็ต้องอธิษฐานว่าปีนี้จะต้องทํา ต้องทำนาสิบไร่ไม่ใช่การอธิษฐานที่ข้าวที่จะออกรวงถ้าไปนั่งอธิษฐานเอาข้าวออกรวงแต่ไม่ไปทำนามันไม่มีข้าวให้เราออกหรอกเราต้องสร้างเหตุการอธิษฐานนี้ท่านหมายถึงให้เราไปสร้างเหตุอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพตั้งการอธิษฐานว่าเราจะภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าเราจะตัดสู้ถ้าเราไม่หลุดพ้นเราไม่ได้พบกับความจริง ที่ทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่รู้จักที่นี่ไปอันนี้แหละเรียกว่าอธิษฐานตอนอธิษฐานที่เหตุไม่ใช่ว่านั่งที่โคนต้นโพแล้วก็บอกขอให้เราได้บรรลุเนี่ยขอไม่ได้ของพวกนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำํำคือเหตุเนั้นเวลาเราจะทําอะไรเราอธิษฐานได้ว่าต่อไปนี้ขอให้เราได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทาให้มากกว่านี้ไปเรื่อยๆอย่างงี้ยเรียกว่าอธิฐานเพื่อที่จะได้เป็นตัวคอย ชักจูงใจให้เรามาทําบุญพุกนี้ต่อไม่ได้ทําบุญวันนี้เสร็จแล้วก็จบแล้วก็ลืมไปเราจะต้องาตั้งอธิษฐานแบบบังคับต่อไปนี้จะขอทําบุญใส่บาต ท, ทุกวันถ้าไม่มีพระให้ใส่ก็จะเอาเงินที่จะทําบุญนี้ใส่กระปุกไว้เวลาไปวัดก็จะเอาเงินนี้ไปถวายวัดอย่างเงี้ยมันก็จะได้บังคับให้เราได้ทําบุญทุกวันนี่คือการได้อธิษฐานให้อธิษฐานแบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าการทําบุญนี้จะได้รับอนิสงส์อะไร ไม่ใช้ทำบุญแล้วอยากจะไปนิพพานมันก็ไปไม่ได้อะการทำบุญมันก็ได้เพียงแต่ว่าทำให้เราสะสมบุญบา ร, รมีทานบา ร, รมีที่จะทำให้เราเกิดนะพบหน้าชาติหน้าจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาคอยสนับสนุนเรามันก็มีแค่นั้นเรื่องของทานบา ร, รมีทำให้เราไม่ยากจนเวลาเราไปเกิดพบไหนชาติไหนเราก็จะมีมีเงินทองพอกินพอใช้ไปเรื่อย อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยทํามากก็จะร่ารวยขึ้นมาพระช้างครับอ่าขอปาดตัดสัญญาณไปเช่วงสองนะครับช่วงโมงครึ่งแล้วนะครับอสําหรับข้อความถ้าไปช่วงสองเนี่ยไม่ต้องส่งว่าความเยอะก็ได้นะเดี๋ยวจะตอบของเก่าเดี๋ยวขอขอให้พรก่อนเดี๋ยวญาตโยนที่อยู่นี่เผื่อเขาอยากจะกลับกันเพราะมันก็ช่วงโมงครึ่งแล้วขอเชิญผู้รับชมติดตามชมในช่วงที่สองต่อนะครับ ใครจะอยู่ต่อก็อยู่ได้นะใครจะไปก็ไปชมปากเท่านั้นเองก็้าใจไหมผลที่จะเกิดนี่มันจะเกิดจากการให้พรผลที่เกิดนี่เกิดจากการกระทําทําบุญถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้ทําบุญเราก็ไม่ได้ผลบุญหรอกแต่คําให้พรของพระนี่ไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นเพียงคําสอนเท่านั้นะเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับการทําบุญของญาติโยมแล้วก็บอกประโยชน์ของการทําบุญว่าได้อะไรบ้าง ดัน้นพ่อจะให้พรเริ่ม่ให้พรคุณทําบุญแนละคุณได้แล้วผลของบุญแต่แล้ฟังนิชัแล้วก็มีเสียงพร อ, ออกมาจากทางซีนทุกทีก็ถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ได้อะไรเพียง <c oughs> แต่ได้ได้คําสอนว่าการทําบุญนี้จะทําให้มีประโยชน์สองประการคือให้มีความสุขใจและสามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่รุ่งรับไปแล้วเราจะทําให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอายุวันโนสุขแข็งพลัง เพราะว่าคนทําบุญนี่จะเป็นคนที่คนอื่นเขารักเขาชอบจะไม่มีใครมาทําร้ายเราอันนี้สงของการทําบุญจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขทั้งตื่นและหลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเวลาตายไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คือคําพูดพรที่พระเทพเนีที่สวนนี้มันไม่มันไม่มีอั น, นิี้สงอะไรต่อต่อผู้รับฟังหรอก แต่เราไม่เข้าใจความหมายก็เราคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทาบุญแล้วต้องรอให้พระให้พรก่อนถึงจะได้บุญไม่เกี่ยวกันราะคุณทำบุญปั๊บบุญคุณเกิดขึ้นในใจของคุณแล้วคุณสบายอกสบายใจคุณได้บุญแล้วที่รอให้พร น, นี้เพื่อให้พระแสดงความยินดีอนุโมทนาร่วมบุญกับการทำบุญของเราและบอกอ น, นิสงส์ของบุญที่เราจะได้รับท่านั้นเองว่าจะได้เจริญด้วยอายุวันน่สุขภาละ คุณไม่ต้องรอให้เราพูดมันจเจริญแล้วเข้าใจไหมมันจเจริญจากการกระทําไม่ได้จเจริญจากการที่เราพูดให้ฟังคนไปติดที่ให้พรกันแล้วไปคิดว่าโออยงี้เราไม่ต้องทําบุญก็น่าเดี๋ยวนี้ เ, เปิดซีดีอัดเสียงซีดีไว้ทั้งวันอย่างเได้รับพรเมื่อไหร่ก็เปิดแต่ไม่ได้หรอกพอรมันเกิดจากผลของพอรนี่มันพรมันเกิดจากการทํําทาความดีพูดง่าย ทำทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยมันจะได้มันจะได้พรนั้นประเสริฐแต่พานนี้เป็นเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเนี่ยถูกต้องแล้วตอนนี้ที่คุณมาทำวันเนี้ยถูกต้องแล้วดีใจด้วยยินดีด้วยนะขอให้ทำไปบ่อยๆนะนี่คือคําหมายเวลาสวดให้พรเนี่ยเท่า น, นั้นเองเป็นการแสดงธรรมสั้นๆให้ญาติโยมฟัง แต่ก็ผมก็ได้รับทุกครั้งที่ฟังซีดีพระอาจารย์จบก็รู้สึกอิ่ม ใ, ใจเหมือนกันนะก็มันเป็นอุปทานอ่ะมันเหนือมาจากใจจากการฟังเทศมากกว่าเวลาเราฟังเทศฟังธรรมจิตใ จ, จเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขพรมันก็เป็นคําเทศอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราติดคําให้พรเราฟังแล้วมันมีความสุขก็โอเคพอได้าแต่มันไม่ได้เป็นเป็นผลที่เกิดจากการทําทานนะทำทานจะได้ผลจากการทําทานเราต้องทําทาน เราถึงจะได้ทานบารมี eki. การฟังฟังการให้พรของพระนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นการสร้างทานบารมี eki. นี่ต่อใหม่แล้วเหรอครับต่อแล้วครับอาจารย์ ม, มีคําถามใหม่หเลยขอตอบคาถามเอขอขอถามคําถามช่วงแรกก่อนนะครับอของงดตั้งคําถามในช่วงที่สองนะครับจ<น>ะขอถามในช่วงแรกก่อนนะครับยังเยอะอยูอย่นะครับคําถามข้อต่อไปจะคุณสี่รืวันนะครับ เวลาเจอครูบาอาจารย์สอบอารมณ์เราถ้าเราสติไม่พอนี่แย่เลยเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าการสอบอารมณ์ของครูบาอาจารย์เ <c oughs> พราะโดนสอบมาแต่ดีที่ไม่คิดอะไรแต่แอบร้องไห้คระบ่าย <c oughs> ัง <c oughs> ทำไม <c oughs> ท่านถึงรู้ว่าเราคิดอะไรคะท <c oughs> ่านไม่ต้องรู้หรอกท่านรู้ว่าเรามีก็กิเลสนะ่ะพอเราไปขัดใจเราเมื่อไหร่ท่านเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแหละ <c oughs> ถ้าเราไปเอา อ, อกถ้าท่านเอา อ, อกกรใจกิเลสเราก็จะพองท่านยังมักจะไม่เอา อ, อกกระจไม่ไม่ชมชอบดา่าชอบตำหนิตีเตียนอย่างที่มีนิทานเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆมีญาติโยมผู้หญิงไปฟังเทศฟังธรรมของพระรูปหนึ่งหลวงตารูปหนึ่งเขบอกโอ้ตั้งแต่ฟังเทศหลวงตามานี่หนูกิเลสหายหมดเลยความโลภความโกรธไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยหลวงตาท่านบอกอิจตอแหล <laughs> เนี่ยลังเราโดนทดสอบอารมณ์นั่นเขาจไหพอโดนด่าเราจะรู้สึกยังไงเฉยหรืจะเสียใจหรือดีใจถ้าสติถันก็รู้ว่าท่านท่านทดสอบเราแล้ ว, ลวเราชอบคําชมไม่ชอบคาําด่าเราแก้ได้หรือยังยความโกรธนี่มันเกิดจากความที่ถูกเ้าดา่าใช่ไหมเพราะชอบความชพร อ, อยากจะได้แต่คําชมพอไม่ได้รับคําชมได้คดาําด่าก็เลยโกรธเสียใจขึ้นมา ครูบาอาจารย์เวลาทดสอบอารมณ์ท่านยัไม่บอก hey, วันนี้จะทดสาบอารมณ์นะ่านจะเอาตอนที่เราเผอเพราะเรารู้ว่าตอนที่เราไม่เผอนี่เราเราเร า, เราทําได้เรารักษาอารมณ์ได้แต่ท่านจะเอาตอนที่เราเผอครูบาอาจารย์นี่ยเวลาท่านดุดุนี่เราจะระวังเจอท่านจะระวังแต่ว่าไหนที่ท่านใจดีระวังไว้เดี๋ยวจะโดนสอกเก่เ <laughs> <laughs> วลาใจดีพูดดีอยากเล่นกับเราหน่อยนีย่เดี๋ยวพอเราเผยปั๊บสอบกลับเลย คงถามข้อต่อไปจากคุณกนนึงนะครับลูกอยากถามว่าเวลาที่มีการสร้างหรือเทปูนหล่อพระเรานําเอาพระพุทธรูปหรือพระที่ห้อยคอใส่ลงไปในองค์พระที่หล่อจะถือว่าเป็นการทําร้ายพระพุทธรูปหรือไม่เจ้าคะมันมันก็เรื่องของวิศวกรรมนะตามวิศวกรรมมาใส่เข้าไปแล้วทําให้พระพุทธรูปมันแตกหักเลยมันก็ทำร้าย มันมันก็มีเท่านั้นเวลาสร้างอะไรเขาก็ต้องมีวัตถุที่จะทําให้มันแข็งแรงเช่นเวลาก่อสร้างตึกเสานี่เราจะเอาพระพุทธรูปใส่เข้าไปในเตะเสารูรปแบบใส่ไปเยอะๆไม่มีปูนเดียวมันก็พังเลยใช่ไหมสิ่งที่จะทําให้เสามันมีกําลังแข็งแรงก็คือปูนเห็นปูนทรายแต่เรากลับไปเอาพระพุทธรูปใส่เข้าไปมันก็จะทําให้มันพังได้แล้วมันเรื่องของวิศวกรรมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอก คำถามข้อต่อไปจากคุณชวีวงนะครับเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิและทําบุญต่างๆเสร็จแล้วเราอุทิศผลบุญให้พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่และเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอกอย่างที่บอกคนที่มีชีวิตอยู่นี่เราแบ่งบุญให้ไม่ได้เลยต้องเป็นของใครของมันเพราะบุญที่เราแบ่งให้คนที่ตายไปนี่บุญเซี่ยวเดียวเท่านั้นเองดังนั้นคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ถ้าแบ่งบุญเซี่ยวหนึ่งให้เขามันก็ไม่รู้สึกอะไรอ สู้ให้เขาทําเองดีกว่าเห็น้เขาถ้าอยากจะได้บุญเขาต้องทําทานเองรักษาศีลเองภาวนาเองแล้วที่ให้เจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่ครับพระอาจารย์ก็นั่นแหละของใครของมันให้กันไม่ได้หรอกอคำถามข้อต่อไปจะคุณออสตานะครับเวลาเจอกับความทุกข์ใจความไม่ถูกใจมักมีอารมณ์หงุดหงิด พอรู้ตัวก็หาทางสงบใจตัวเองพยายามไม่ส่งใจไปร่วมเกินคนอื่นทำแบบนี้ถูกหรือผิดครับมันก็เป็นเพยงการระงับปลายเหตุเท่านั้นเองใช้เวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ควบคุมไม่ระบายออกมาทางวาจาทางการกระทำแต่ต้นเหตุมันก็ยังไม่ได้รับการดูแลอยู่ ต้นเหตุของปัญหาของเราทั้งหมดนี่ก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองพอเราอยากแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธงุนงงิดขึ้นมาแล้วเราก็ระบายออกมาถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติอย่างน้อยเราก็เก็บมันไว้ข้างในความเสียหายก็จะเกิดแต่เฉพาะเราคือความไม่สบายใจแต่ถ้าเราปล่อยออกมาพูดไปทําอะไรไปเดี๋ยวก็เกิดปัญหากับผู้ต่อไปนั่นจึงเป็นการแก้ปลายเหตุ ถ้าองการแก้ที่ต้นเหตุนี้ต้องหยุดความอยากต้องภาวนาต้องทำใจให้สงบต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์แล้วรอปไปอต่อไปเราก็จะไม่อยากคำถามข้อต่อไปจากคุณเคลักษ์นะครับนั่งสมาธิไปสักพักรู้สึกว่าจิตแยกออกมาจากกายจิตจะลอยเหนือกายสักพักกายจะหายแล้วจะดับหมดทั้งจิตและกาย พอเขาอิ่มตัวจะออกมาจากสมาธิเองอาการอย่างนี้เป็นโมหะสมาธิหรือเป็นสมาธิที่ขาดปัญญาหรือเปล่าคะคือสมาธินี้ให้เป็นอุเบกขาเท่านั้นเองจะเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิก็อยู่ที่อุเบกขาถ้าได้อุเบกขาก็เป็นสัมมาสมาธิถ้าไม่ได้อุเบกขาเช่นไปรับรู้นิมิตต่างๆแล้วก็เกิดอารมณ์ไปกับนิมิต ท, ที่เห็นนี่มันก็จะไม่มีอุเบกขา สมาธิแบบนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่จะทำให้มีอุเบกขาต้อไม่สมาธิที่ว่างไม่มีนิมิตใจว่างใจสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้อันนี้จะได้อุเบกขานี่คือสมาธิสองแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีอุเบกขาเพราะเราจะใช้อุเบกขาในการต่อสู้ตันหาความอยากต่างๆ ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะสู้ตัญหาไม่ได้คำถามข้อต่อไปจะคุณโสพิทนะครับตอนนี้ภาวนาพุโทโธจิตไม่นิ่งแต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าตาโจรหรือหนังมังสาคือเนื้อกลับอยู่นิ่งได้ดีจะกใช้ได้ไหมคะมีอยู่คืนหนึ่งหัวสมองกัดใจหนุนอยู่แต่ประโยคนั้นจนสว่างออกจากตรงนั้นไม่ได้เลย ได้จะใช้กรรมฐานอันไหนก็ได้ที่มันถูกกระจริตกับเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึงสี่สิทชนิดด้วยกันจะใช้อาการสามสิบสองอาการใดอาการหนึ่งหรือทั้งสามสิบสองอาการก็ได้หรื อ, ห ร, อหรือบางบางส่วนบางอาการก็ได้แล้วแต่จระิตของเราบางคนก็อัติอัติกระดูกกระดูกอย่างเดียวแล้วก็เห็นโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่แล้วแต่จระิต ถ้าพุโทโธไม่ถูกใจริยก็บางคนชอบตะโจหนังมังสังเนื้ออะไรก็ได้บางคนก็ชอบอนาปนาสติก็ดูไปบางคนก็ชอบมอนานสติชอบดูซากศพของตัวเองดูตัวเองนอนตายอยู่ในโรงอันนี้ก็ได้แล้วแต่ใจของเราอะไรก็ได้ที่ทำแล้วให้ใจสงบใจให้นิ่ง คำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงเคนะครับแล้วถ้าเป็นเงินที่สามีให้เราแล้วเอาไปทำบุญละคะโดยที่เราเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานเองเราจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ก็อยู่ที่ว่าเงินนี้เป็นของใครถ้าเขาให้เราแล้วมันก็เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราเอาไปทำบุญหรือเอาไปทำไรายได้ตามอธัธยาศัยถ้าเราไปทำบุญก็เป็นบุญของเราหมด แต่ถ้าเป็นเงินที่เป็นของครอบครัวที่ต้องใช้ใจ่ายในครอบครัวถ้าเราไปทําบุญเราก็ควรจะบอกสามีด้วยที่เป็นส่วนมีเจ้าของว่าจ่าเงินนี้ไปทําบุญถ้าเขายินดีเขาก็จะได้บุญเท่ากับเราเพราะเป็นสมบัติของคู่กันแต่ถ้าเราไปทําแล้วไม่บอกเขานี่เขาจะไม่ได้บุญแล้วถ้าเรามาทําเสร็จแล้วไปบอกเขาถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะไม่ได้บุญ คำถามข้อต่อไปชูนปรกนบนะครับเรื่องการพิจารณากายก า, ย ก, า, ยากายกายคตากายาคตาสติเมื่อจิตสงบแล้วและจิตถอนออกมาจะเข้าสู่การพิจารณาเริ่มแรกก็เอาสัญญาที่เราจำไว้มาพิจารณาใช่หรือเปล่าครับพระอาจารย์ทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับ ก็ถ้าเรามีสัญญาอาการ32เราก็นึกถึงอาการ32ไปถ้าเรายังไม่มีเราก็ไปเปิดหนังสือดูเรือไปดูเข้าผ่าศพเพื่อที่เราจะได้เห็นร่างกายที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็พิจารณาอาการต่างๆไปพิจารณาให้เห็นว่าอาการเหล่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนผมไม่มีตัวตนขนไม่มีตัวตนเล็บไม่มีตัวตน เวลาตัดผมไปเราหายไปกับผ ม, ผมหรือเปล่าเวลาเราถอนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่าเวลาเราตัดเล็บไปเราหายไปหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เต็มร้อยเหมือนเดิมแสดงว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายนี้เลยอาการสาสิสองนี้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเพียงแต่เราไปคิดเองว่าเราเราเป็นร่างกายอาการสามสิบสองเป็นเรามันเป็นเพียงความคิดที่เกิดจากความหลงความไม่รู้เรายิงต้องมาพิสูจน์กัน อย่างจระจเลยเอามันมาว่ากันทีละชิ้นเลยผมนี่เป็นเราหรือเปล่าคนนี่เป็นเราหรือเปล่าแม่นี้เป็นเราหรือเปล่าไล่มันให้ครบ312อาการเนี่ยทํามันไปบ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีเรามีแต่อาการ312ไม่มีเราไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกมันเป็นเพียงอาการ312ตัวเราเพียงแต่มาครอบครองมันนั้น สามีภรรยาบิดามารดามาครอบครองร่างกายของเขาท่านเองเวลาร่างกายตายไปเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะได้ไม่กลัวตายต่อไปเราจะปล่อยวางร่างกายได้ต้อคิดบ่อยๆคิดให้มันอย่างทั้งมันติดตาติดใจเข้าเห็นชัดเจนแล้ ว, ว่าอ๋อจริงๆนี่เป็นความคิดของเราเองท่านนั่นเองเหมือนกับมีรถคันนึงแล้วก็ไปคิดว่าเป็นของเราขึ้นมาทันที พระพออะไรเป็นของเราเราก็ยึดติดแล้วก็เกิดความอยากให้มันเป็นของเราไปนานๆพอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้ารถของคนอื่นพังไปแล้ว เ, เราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่พอเป็นรถของเรานี่ทุกข์ขึ้นมาทันทีฉะนั้นต้องพยายามมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของเราก็เป็นของเราชั่วคราวให้คิดอย่างนี้เป็นของยืมมาเดี๋ยวต้องคืนเข้าไปร่างกายนี้ก็ยืมมาจากดินน้ำนมไฟ เดี๋ยวก็ต้องคืนดินน้ำนมไฟไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะปล่อยวางจะเย็นจะสบายไม่ทุกข์กับร่างกายของใครของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของลูกของสามีของภรรยามันเหมือนกันหมดเลยอาการสาวที่สองเหมือนกันหมดเจ้าของไม่ได้ตายไปกับร่างกายเจ้าของถ้ายังมีตัณหาอยู่ความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อถ้าไม่มีก็ไปนิพพาน คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามต่อเนื่องจากคุณจิตตานะครับพระอาจารย์ให้พิจารณาเรื่องความตายมันรู้สึกหดหู่ใจหายที่เราจะต้องจากคนที่เราลักเวลาหดหู่ควรจะทำอย่างไรดีครับก็แสดงว่าจิตเราไม่มีสมาธิพอตอนนี้ยังไม่ต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาแล้วมันเกิดโทษไม่เป็นประโยชน์ตอนนี้ต้องมาฝึกทำใจให้สงบให้มีอุเบกขาก่อน พราถ้าใจมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยๆกับสิ่งที่เราคิดมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองขณะนั้นความคิดยังเรายังหดหู่เลยยังไม่ได้เจอของจริงเลยแล้วเวลาไปเจอของจริงมันจะเป็นยังไงแสดงว่าใจเรานี่ไม่มีความหนักแน่นเลยไม่มีอุเบกขาเลยมีความรักชังกลัวหลงมากพอเพียงแต่คิดเท่านั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยฉะนั้นต้องมาฝึกทําสมาธิก่อนทําใจให้สงบก่อนถึงบอกทุกครั้งว่า การเจริญปัญญานี่มันทำไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีสมาธิคนสมัยนี้อที่ว่าฉลาดเก่งเรียนหนังสือจบปริญญาใช้ใช้ปัญญาได้เลยมันใช้ไม่ได้หรอกมันได้แต่คิดแต่เรื่องที่มันคิดได้เรื่องที่มันไม่กล้าคิดมันไม่กล้าคิดหรอกเรื่องความตายไม่ค่อยคิดกันหรอกเรื่องกับสุภาพมันไม่คิดกันหรอกแต่คิดแต่เรื่องของสวยๆงามๆมันคิดได้ยังนั้นมันไม่ใช่หรอกนะถ้าจะเป็นปัญญานี่มันจะต้องคิดเรื่องที่เราไม่ชอบคิดกัน เ็นความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกัน <Yeah. S 2> อสุภะอาการสาสิบสองความสุกปกของอาหารเวลามันถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ยอมคิดกันหรอกนี่แหละคือปัญญาถ้าไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่ในใจไม่สามารถดับกิเลสได้มันจะหลงชอบไปหมดเห็นอาหารก็อยากจะกินขึ้นมาเพราะมันไม่มองเวลาที่มันออกมาจากร่างกายว่าเป็นอย่างไร ยังต้องพยายามทำสมาธิให้มากๆวิธีจะทำสมาธิได้ก็ต้องตั้งใจตั้งสติก่อนเลื่มตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยแล้วต่อไปมันก็จะมีอุเบกขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณบัวละวงนะครับกรณีที่เรานั่งกรรมฐ า, านแล้วเรารู้สึกปวดตามร่างกายเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราไม่รู้สึกปวด อ, อแล้วอย่าไปอยากให้มันหายปวด ความอยากให้มันหายปวดเนี่จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจจนเราไม่สามารถจะนั่งต่อไปได้ที่เรานั่งไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกายแต่เพราะความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปงั้นเราอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดเวลาเกิดขึ้นให้เรากาดติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะอยู่กับมันได้เพราะเราจะไม่มีความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้มันหายไปแต่ถ้าเราไม่พุทโธปั๊บใจมันจะอยากเลย อยากใช้หายปวดพออยากกวัมันก็ยิง่งยิ่งปวดขึ้นมาใหญ่ปวดสองชั้นปวดกายแล้วไม่พอมาสร้างความปวดใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่มีน้ําหนักมากก ว, ากว่าการปวดของร่างกายมันเลยทนนั่งไม่ได้แต่เวลานั่งดูหนังมันนั่งได้เพราะมันไม่มาคิดถึงการปวดของร่างกายมันดูแต่หนังอยู่ที่จอมันก็เลยไม่มีเวลาคิดอยากจะให้ความปวดบางทีปวดชี่มันยังไม่ยอมลุกไปเลยยังทนได้เลยมันมันนั่งกระลาท่านครับอาจารย์นั่งแหละท่าสบาว่ คุณกิ่งเพชรถามว่าถ้าจิตเราไม่สงบต้องทำยังไงคะทำสมาธิไม่ได้เลยเอนต้งสร้างสติขึ้นมาก่อนพุโทโธก่อนพุโทโธไปทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลยคำถามข้อต่อไปจะคุณเอปาดานะครับเราจะพิจารณาให้ไม่ได้ยินดียินร้ายต่อสิ่งต่างๆได้อย่างไรคะเดี๋ยวเห็นฟู เดี๋ยวเห็นแปบเดี๋ยวชัดใช่เขียนใช่ก็ต้องก็ต้องมีสมาธิก่อนเนี่ยถ้ามีสมาธิแล้วใจมันจะเป็นกลางมันจะเฉยเฉยกับสิ่งที่เราเห็นได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิพอเห็นแปบมันจะมีรักมีชังขึ้นมาต่อให้ใช้ปัญญาไงมันก็แก้ไม่ได้ลองชอบอะไรแล้วบอกไม่ให้กินไม่ไม่ไม่กินไม่ให้ดื่มไม่มันไม่เชื่อเราหรอกงั้นทางที่จะแก้ความรักความชัง คามอยา ก, ากต่างๆ น, นี้ต้องเริ่มที่สมาธิและการจะมีสมาธิก็ต้องเริ่มที่สติก่อนนคําตอบทุกคําถามนี่ก็อยู่ตรงนี้แนหะละว่าต้างฟังแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าฟังแล้วไปปฏิบัติดูซิคําถามหมดครับพรจางหมดแล้วนี่ยเอเอก็ใกล้กับเวลาพอดีทางนี้มีใครอยากจะถามไหมเอาแพนหน่อยแพนหน่อยญ <c oughs> าตเยอจะอจะได้รู้ว่ามีใครมาบ้างวันนี้มีไม่กี่คนมี แปดคนเอาคนอแต่วันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีครับอาจารย์สัญญาณฝนฟ้าอากาศวันนี้ฝนตกอ่ครับสัญญาณไม่ดีเลยครับวันนี้มันก็มีสองส่วนในเรื่อนี้ที่เป็นผลต่อต่อผลที่เราได้รับคือสัญญาณต้นทางกับสัญญาณปลายทางบางทีต้นทางดีแต่ปลายทางไม่ดีบางทางบางทีต้นทางไม่ดีปลายทางดีก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันตัวสําคัญก็คือต้นทางก่อนต้นทางต้องดี แล้วส่วนปลายทางนี้มันก็บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนอยู่ใกล้ๆกับไม่ดีบางคนอยู่ถึงสวีเดนกับดีนะมันก็อยู่ที่สองส่วนด้วยกันต้นทางกับปลายทางแต่ยังไงก็ให้ถือหลักมักน้อยสันโดดก็ได้เท่าไหร่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเมื่อก่อนไม่มีไม่มีอย่างนี้เลยตอนนี้เราได้รับการถ่ายทอดสดได้รับถามถามตอบปัญหาอย่างสดสร้อนๆ อ, อย่างนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะ แล้วเราพยายามพัฒนาไปไเรื่อยๆตามตามความสามารถของเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นี่งั้นก็ขอให้เอานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ น, นิสัญญาณนิ่งดีครับตอนนี้นนนแต่ถ้าฝนตกก็จะนั่งสมาธิก็หยุดถ่ายทอดชื่อค่าวก็ได้ก็ไม่มีก็มีสาราหลบอย่างี้เช่่อข้างเชื่อข่าวเยอะก็ช่วยไม่ได้แหละแม่นแตนี้ถ่ายทอดสดก็ดู่างบ้านก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้อย่างนี้อยู่ที่บ้านสบายกว่าสดสดแค่หนึ่งอาทิตย์าถ่ายทอดสดมาวันสองอาทิตย์แต่ว่า หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคนกดสูงใจประมาณจะสามพันอยู่แลยครับว่าจะว่าอาทิตย์เดียวนะอาทิตย์เดียวแบบก็ที่ถ่ายสดเมื่อวานนี้มีคนเข้าถึงสี่หมื่นกว่านะครับที่ที่ที่นี่นะที่เห็นที่เห็นที่เห็นวีดีโอเนี้ยแต่เห็นเฉยเฉยคือแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ดูทั้งหมดอ่าเข้าถึงสี่หมื่นหนึ่งก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนเริ่มรู้จัก แต้เขาได้ประโยชน์เขาจะกลับมาวันนี้มีสักกี่คนเข้ามาวันนี้ก็ช่วงแรกก็สา0ร้อยกว่าคนปกติธรรมาสามรอยสี่สิบามรห้าสิบประมาณแต่มันไปจะแชร์ไปเรื่อยมันไปถึงทั่วโลกเลยเนี่ยมันดีเนี่ยถ้าถ้าจะสอนเฉพาะคนเจ็ดแปดคนที่มันก็ได้แค่แปดคนเนี่ยนี่ได้เป็นเป็นพันเป็นหมื่นรู้สึกว่าคุ้มนะพูดทีเดียวมันคุ้มเหนื่อยหน่อยอ่ ผมก็เลยต้องเสียงดังไปในตัวเลยต้องเอาให้ถี่ไหมใช่ว่างอย่ก็บ่นว่าเสียงไม่ได้ยินแต่เสียงญาติยงเขไม่ได้ยินเนี่ยเพราะมันไกลไมเราอยู่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนานะก็เรื่องถ่ายทอดส่วนนี้มันก็ต้องอนุจริงนะบางทีคนถ่ายทอดมันอาจจะติดธุระหรือคนคนที่มาแทนเขาก็อาจจะไม่ว่างมันทีองมีหลายคนเข้านานที่แบบว่าที่แบบว่าใช่ได้ก็้อง ตอนนี้สองสามคนแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ว่าอีกคนนึงว่างพอได้ครับอาจารย์น่าจะทุกวันเลยครับค่อนข้างแน่ใจแล้วครับอาจารย์ว่าทุกวันดีต่อไปจะเบื่อก็ได้ฟังฟังไปสักพักนี่มันก็จะคําถามเหมือนเดิมคําตอบเหมือนเดิมแต่คนชอบไปเกินเมื่อวานเรื่องอา마ที่มาถามเรื่องที่แต่ว่าจะเตรียมดังเรื่องเขายที่ดินไม่รู้ขายได้รอยังไงรู้ เอาล้ น, นังคุณตาจะได้ถอนไม่ออก